ใครไม่เคยฟังอาตมาบ้างมีไหมมาครั้งแรกหรอฮะ ด, ด้วยใช่ไหมครั้งแรกด้วยใช่ <c oughs> ถ้าคนครั้งแรกเีอะต้องว่าตั้งแต่แรกเลย <c oughs> ว่าตั้งแต่ปากซอยมาเลย <c oughs> <c oughs> เริ่มยังไงดี เรื่องอหมดีฮะว่าถึงเรื่องการปฏิบททัติธรรมเนี่ยนะถ้าจะปฏิบัติธรรมเนี่ยเบื้องต้นให้รู้เป้าหมายก่อนเป้าหมายในการปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติเพื่ออะไรถ้าเป้าหมายไม่ชัด มันจะไปผิดได้ง่ายเป้าหมายในการปฏิบัติเนี่ยก็คือเพื่อให้ทุกน้อยลงจนถึงทุกไม่มีทุกน้อยลงจนถึงไม่มีเนี่ยก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นพันธิพาณ น, น, นี้ ที่ไม่พูดคำว่าพระนิพพานตั้งแที่แรกเนี่ยเพราะว่าเรามักจะอะไรรู้สึกว่านิพพานเป็นของสูงก็เลยคล้ายๆพอตั้งจะตั้งเป้าเป็นพระนิพพานเนี่ยไม่กล้าตั้งก็เอาเป็นลำดับลาดับไปลำดับก็คือว่าให้ทุกข์น้อยลงเป้าหมายสูงสุดคือให้ทุกข์ไม่มีเลยอันนี้ ถ้าเกรงว่ามันสูงเกินไปก็ให้ทุกน้อยลงน้อยลงก็แล้วกันมันเป็นลําดับลําดับทุกน้อยลงได้เนี่ยจะน้อยลงได้ด้วยปัญญาปัญญาคือความเข้าใจเข้าใจความเป็นจริงเข้าใจความเป็นจริงเนี่ยไม่ได้เข้าใจความเป็นจริงของโลกข้างนอกแต่เป็นความเข้าใจความจริงของของโลกคือกายและใจอันนี้กายและใจที่ขณะนี้เรา ยึดถือว่าเป็นเราที่พูดงงๆอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีเรามีแต่ความเข้าใจผิดว่ามีเราทีานี้มาพุทธศาสนาเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคือมาสอนให้เข้าใจถึงกายและใจนี้ให้เห็นความจริงว่าไม่ใช่เราไอ้ตรงเนี้ยขั้นตอนการที่จะมาฝึกให้เข้าใจเนี่ยนะ ก็มีกระบวนการในการฝึกคือชี้เป้าหมายแล้วว่าเป้าหมายคือพ้นทุกนะแล้วก็ถ้าพ้นทุกเนี่ยมันมีลําดับขั้นถ้าพ้นทุกข์สูงสุดเนี่ยถ้าใครบรรลุถึงขั้นสูงสุดได้เนี่ยเรียกบุคคล น, นั้นว่าเป็นพระอรหันต์ซึ่งก็ไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นพระหรือว่าเป็นแม่ชีเป็นเป็นโยมก็ได้แต่พอบรรลุพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็มักจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับกามแล้วก็มักจะออกบทหรือไม่ก็ อย่าง น, น้อยๆก็ต้องถือศีล8คือจะมีไม่เหมือนศีลหนะศีล5เป็นข้อกาเมใช่ไหมศีล8ก็คือถือพรหมจรรย์เพราะว่าไม่มีความต้องการด้านด้านกาลแล้วถ้าลำดับถัดลงมาก็คือเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีก็ไม่ยึดในกามแต่ยังยึดในการทําฌานคือ สุกจากการทำรูปปัจจานแล้วก็อารูปปัจจานบางท่านทำอารูปปัจจานได้ก็ไปไปยึดอารูปด้วยบางท่านไม่ได้ทำอารูปทำได้แต่รูปปัจจานก็ยึดรูปปัจจานยังมีความอะไรยังไม่ละตัวสุขตัวนี้โดยแท้จริงสุขในการทำฌานเนี่ยก็ยังต้องระวังรักษาในแง่ของพระอาหารแล้วก็จะมองว่านี่เป็นทุกข์เพราะว่า สุขจากการทำฌานเนี่ยนะก็สุขได้ชั่วคราวแม้จะทำฌานแล้วสุขมากแค่ไหนก็แล้วแต่ก็ต้องมีการออกจากฌานเข้าฌานชั้นสูงแล้วก็มาอยู่ในฌานชั้นต่ำนะตอนอยู่ฌานชั้นต่ำก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์สุขมันเคยได้ของดีกว่าแล้วพอได้ของระดับต่ำลงมาเนี่ยรู้สึกว่าเป็นทุกข์มากอย่างเงี้ยมันเรียกว่ามีภาระในการที่จะต้องทำฌานยังต้องรักษาต้งต้องฝึกฝน ไอ้ตรงนี้ยังไม่พ้นทุกจริงถ้ายังติดในฌานก็ยังต้องไปเกิดเป็นพระพรหมถ้าำลำดับต่ำลงมามเรียกว่าเป็นพระสกิทาคามีพระสกิทาคามีเนี่ยเป็นผู้ที่บรรลุมรรคผลขั้นที่สองก็มีความทุกข์มากกว่าพระอนาคามีคือยังละกามไม่ได้ยังต้องฝึกฝนตัวเองอยู่ ตามกว่านั้นเป็นพระโสดาบันพรโสดาบันเนี่ยถือว่าเป็นขั้นแรกของผู้ที่บรรลุมรรคผลขั้นแรกของผู้รบรรลุมรรคผลเนี่ยมีเพียงความเข้าใจว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรามีความเข้าใจว่ากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราเความเข้าใจในนี้เรียกว่าละสักกายทิฏฐิแล้วก็คุณสมบัติอีกข้อหนึ่งคือ ละวิจิกิจชาคือไม่สงสัยในในการปฏิบัติแล้วเพราะว่าปฏิบัติมาจนถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยเห็นผลของการปฏิบัติแล้วไม่เข้าใจผิดในแง่ของการปฏิบัติในแง่ที่ว่าเชื <S <S ่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเชื่อว่าพระธรรมในคำสอนได้ผลจริงเชื่อว่าพระสงค์ที่ฟังคำสอนของพุทธเจ้ามาปฏิบัติได้ผลมีอยู่จริงเนเพราะตัวเองเป็นพยานในในสิ่งเหล่านี้อยู่แล้ว แตถามว่าแล้วทําไมเข้าใจถึงขนาดนี้แล้วยังไม่บรรลุถึงขั้นสุดท้ายโอ้มันยากเหมือนกันนะมันเป็นลําดับๆคือถึงขั้นนี้ยนะได้รวบรวมกําลังของศีลสมาธิปัญญาที่ฝึกฝนมาเนี้ยนะถึงขั้นนี้แล้วก็พอบรรลุมรคขั้นที่หนึ่งแล้วเนี่ยหมดแรงอ่ะต้องมาสะสมศีลสมาธิปัญญาใหม่ฝึกฝนใหม่ ครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเหมือนว่าเหมือนทดน้ําทดน้ํากว่าจะเต็มเขื่อนขั้นแรกเนี่ยนะก็ใช้เวลานานพอทดน้ําเต็มเขื่อนขั้นแรกแล้วนะได้บรรลุเป็นพระโสดาบานนะนั้นเนี่ยน้ําก็ร่นมาเขื่อนขั้นที่สองเนี่ยใหญ่กว่าขั้นที่ขั้นแรกอีกต้องใช้เวลาเติมน้ำอีกอีกตั้งนานกว่าจะเต็มเต็มขั้นนี้แล้วก็มีเขื่อนอีกขั้นนึ่ง <laughs> ไปเรื่อยๆมีสี่ขั้น ปุถุชนก็คือผู้ที่ยังแบบเราเนี่ยปุถุชนก็มีสองแบบปุถุชนที่เป็นอันถภานเป็นภาระปุถุชนคือผู้โง่เขาผู้โง่เขาเนี่นี่หมายถึงว่าไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปให้พูดไปถือศีลเนี่ยโง่โง่ไหมโง่ไหม <c oughs> ไปยอมก็ทําไมอย่างเงี้ยทําไมไม่เอาคืนอืม ก็ปาดมาเนี่ยทำไมไม่ปาดคืนตอนนี้อย่าปาดนะมีกล้องจับนะประมาณว่าพวกที่ไม่เชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมไม่เชื่อเรื่องคุณพ่อคุณแม่ไม่เชื่อในพระราตรีไตรนี่เป็นปุถุชนระดับพานเลยระดับดีขึ้นมาหน่อยก็เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมรเชื่อเรื่องการทำดีย่อมได้ผลดีทำชั่วย่อมได้รับผลชั่ว เราพยายามพัฒนาตัวเองเพียงแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะบรรลุมรรคผลก็ประมาณพวกเราประมาณพวกเราเนี่ยก็คือต้องสร้างเหตุเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลเชื่อว่ามรรคผลมีจริงนี่มีความเชื่อนี่มั่งเชื่ออ ย, ออยู่นี่จะเกิดปัญญาให้บรรลุมรรคผลเพื่อให้ทุกข์น้อยลงได้เนี่ยมีต้องมีองค์ประกอบองค์ประกอบเนี่ย ถ้าแบ่งคร่าวๆก็มีอยู่สำคัญอยู่3มอย่างคือรักษาศีลแล้วก็ทำความสงบบ้างแล้วก็หัดมองในแง่ให้เกิดความว่าใจในแง่ปัญญาปัญญาในพุทธาศาสนาไม่ใช่เข้าใจในวิชาการอื่นๆแต่เข้าใจในเรื่องของกายและใจนี่เห็นไตร ล, ลักษณ์ของรูปและนามคือกายและใจนี่ถ้าพูดเป็นภาษาบาลีหน่อยก็จะ ตรงมากขึ้นศึกษาในเรื่องศีลเรื่อศีลศิกขาศึกษาในเรื่องของการทาความสงบเนี่ยถ้าพูดเป็นภาษาบาลีเรียกว่าจิตตศิกขาศึกษาเรื่องจิตศึกษาให้เรื่องเกิดปัญญาก็ปัญญาศิกขาศึกษาเรื่องศีลก็คือทําอย่างไรที่จะให้เราเนี่ยไม่ไปแสดงออกทางกายวาจาไปละเมิดคนอื่นนี่คือสรุปความคร่าวๆ ข, าของการรักษาศีลแล้วก็มีรักษาศีลให้เหมาะสมของแต่ละคน โดยพื้นฐานแล้วก็คือ5ข้อศีล5ก็ไม่ไปละเมิดชีวิตคนอื่นรวมทั้งแม้ฆ่าไม่สําเร็จทําให้เขาบาดเจ็บอะไรเงี้ยนะก็ไม่ได้ไม่ไปละเมิดทรัพย์สินของคนอื่นไม่ไปละเมิดคนรักของคนอื่นไม่ไม่ประพฤติผิดนในกรรมไม่ไปพูดแล้วทําให้คนอื่นก็ต้องเดือดร้อนเสียหาย หรือลองเสียหายเนี่ยก็มีการพูดหลักๆ ก, ก็คือพูดปดพูดไม่จริงพูดเท็จอันนี้เสียหายที่สุดลองลงมาก็เสียหายมากเหมือนกันคือพูดเรียกไรพูดส่อเสียดรู้จักั้ยพูดส่อเสียดเคยพูดไหมพูดส่อเสียดคือพูดให้คนที่เขาอยู่กันปกติน น, นะให้แตกกันทะเลาะ ก, กันเรียกส่อเสียด ไม่ใช่ไม่ใช่เสร็จสีนะส่อเสียดหมายถึงว่าพูดแล้วก็แตกกันทะเลาะกันสาเหตุก็อาจจะมาจากว่าอยากให้เขามารักเรามากกว่ารักคนนน้นก็เลยพูดให้ร้ายคนนน้นเพื่อให้คนนน้นเกลียดกับคนนน้นสมมติว่ายังไงดีสมมติว่าสมมติว่ า, สม ม, วาสมมติว่าเรามีมีแฟน ยังยังไม่มี <S <S <S <S สมมุติว่าเราสมมติะสมมติสมมติว่า ม, มีแฟนแล้วมีไอ้หนุม่มอีกคนหนึ่งหมันไส้ว่าเรามีแฟนสวยก็เลยพูดกับแฟนเราให้ทะเลาะกับๆๆเราเพื่อให้แตกกับเราเพื่อเขาจะมาเป็นตัวสอดแทรกเข้ามาเนี่ยการพูดให้เรากับแฟนทะเลาะกันเลยนะเรียกว่าพูดสอเสียดเข้าใจไหมนี่เป็นสาเหตุหนึ่งอีกสาเหตุหนึ่งคือหมั่นไส้ แค่หมันไส้เฉยๆทีแรกเนี่ยคือไอ้คนนี้อยากจะเป็นเป็นแฟนแทนอีกอกรณีคือไม่ได้ไม่ได้อยากเป็นแฟนแทนหรอกแต่หมันไส้ก็พูดให้มันแตกกันเฉยๆไม่ได้คิดว่าตัวเองจะไปสอ่อแท้งอะไรอย่างนี้ก็มีสรุปแล้วคือถ้าพูดแล้วเขาแตกกันเล็กๆเรียก ว, ว่าพูดสอ่อเสียดให้คนแตกกันแค่2องคนก็มีโทษมากถ้าคนแตกกันเยอะก็ยิ่งโทษเยอะพูดแล้วให้คนในชาตินี้ แตกเป็น2ฝ่ไฟล์เป็น3ฝ่ไฟล์จะ ก, กี่ไฟล์ก็แล้วถ้ามันแตกกันจำนวนมากก็มีโทษมากถ้าคนที่แตกกันมีคุณมากก็ยิ่งโทษมากชมเช่นทำให้พระแตกกันเป็นสังฆเพในี่โทษสูงสุดนะข้อ5ในสิ่ข้อ5คือ ทำยังไงที่จะไม่เมาไม่ขาดสติอะไรที่ทำให้ขาดสติก็พยายามเลี่ยงมีอะไรบ้างที่ทำให้ขาดสติกินเหล้าเหล้านี่ก็มีทั้งสุราและเมลัยใช่ไหมรู้จักไหมสุราและเมลัยมีเหล้าที่จากการกลัน่นจากการหมักเดี๋ยวนี้ก็ไม่เฉพาะแค่ดื่มก็จะมี มีดมมีฉีดวิสารพัฒวิธีที่เสพเข้ามาแล้วก็ทำให้มึนเมาครูบาอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านตีความถึงขนาดเรียกว่าเล่นเกมตอนเล่นเกมเนี่ย น, นะเมารู้สึกไหมเมาขาดสติแม่เรียกบางทีก็รู้สึกว่าอะไรไม่รู้สึกตัวยัง จิตยังจมอยู่ในจอไม่รู้สึกตัวขณะที่จมอยู่ในจอก็ประมาทหมดเกมนี้แล้วก็อยากจะต่อเลเวลต่อไปเ <c oughs> นี่ยติดติดอย่างนี้ใช้เวลากับมันมากก็เป็นการเมาในเกมเดี <c oughs> ย๋ยวนี้มีสิ่งทำให้จิตเนี่ยเมาเยอะ <c oughs> ก็ต้องระวังตัวนี้ด้วย รักษาศีลดีแล้วเนี่ยจะทําให้ศึกษาเรื่องจิตได้ง่ายขึ้นถ้ายังมีศีนบกพร่องใจก็จะมีความเรียกอะไรกินแหนงแขงใจตัวเองเคยเคยไดยนน้ยินคำนี้ไหมคำโบราณโบราณ น, นะกินแหนงแขงใจนึกคําสมัยใหม่ไม่ค่อยออกมันเหมือนมีเสีนน้นหนามอยู่ในใจเป็นความไม่สบายใจเวลานึกถึงความไม่ดีของตัวเองแล้วจะรู้สึกไม่สบายใจ นั้นถ้ารักษาศีลดีก็จะทำให้มาศึกษาเรื่องจิตได้ง่ายขึ้นจะทำความสงบก็ง่ายขึ้นบางคนนะมาบวชพระแล้วก็ไปทำผิดศีลศีลตัวใหญ่เป็นศีลข้อประราชิกแล้วไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นประราชิกนะคือไม่ยอมศึกษาให้ดีไปทำพลาด ทำประสาชิกเข้าไปมานั่งสมาธินะก็จะเห็นตัวเองเนี่ยถูกเผาถูกเผาด้วยไฟสมาธิดีนะแต่ประเิญว่าศีลไม่ดีเห็นได้มิดของตัวเองเนี่ยนั่งทีไรก็ถูกไฟเผาทุกทีก็ไม่สบายใจไม่สบายใจก็ถามครูบาอาจารยร์บาอาจารย์ก็ทักว่าศีลดีหรือเปล่านั่งแล้วก็ พอจิตสงบลงไปเห็นนิมิตอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็รู้สึกเป็นร้อนทุกร้อนกับเองขึ้นมาจริงๆเขาก็นึกไปออกว่าเขาสินดีหรือไม่ดียังไงนะกรอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้ไปศึกษาดูให้ลองไปเปิดหนังสือดูว่าตัวเองบกพร่องในสีนข้อไหนบ้างก็ไล่ไปดูสีนแต่ละข้อก็มีตัวอย่างที่ผิดเยอะแยะหมดเลยนะไปตรงไัข้อนึงว่าตัวเองผิดโอ้โหอยู่ไม่ได้ลต้องสึก จากศีลไม่ดีพอประมาศึกษาเรื่องจิตแล้วเนี่ยมันไปไม่ไปไม่ได้ถึงจะมีถึงจะเคยมีสมาธิดีศีลที่ไม่ดีนั้นก็ทำให้สมาธินั้นทาให้มีนิมิต ท, ที่ไม่ดีเข้ามาถ้าศีลดีมาศึกษาเรื่องจิตก็จะสะดวกขึ้นอย่าง น, น้อยๆก็จะไม่ร้อนใจเวลาเห็นกิเลตก็เห็นกิเลส เราเห็นกิเลสก็ได้เจริญสติอะไรก็รู้ไปตรงตรงอันนี้ศึกษาเรื่องจิตเนี่ยตัวหลักเลยที่จะได้คือความสงบได้ถึงขั้นสมาธิท่านจึงเรียกจิตตะศิขาเนี่ยเรียกกันสั้นๆว่าสมาธิเวลาเรียกการศึกษาสามอย่างว่าไตรศิขาเนี่ยท่านก็จะพูดสั้นๆว่าศีล ส, สมาธิปัญญาแต่ให้พูดให้เต็มแล้วก็เรียกว่า สีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาในที่นี้อยากจะให้เราใส่ใจคำว่าจิตตสิกขามากกว่าคำว่าสมาธิเพราะว่าถ้าพูดคาว่าสมาธิเนี่ยนะเราจะนึกถึงว่าต้องมานั่งขัดสมาธิเอามือซ้อนกันหลับตาหลังตรงแรกๆตงมีคำว่าแรกๆเลย <laughs> <laughs> เพราะว่าไปสักหานาทีมาจากหลังคอมเ <laughs> อั น, นี้เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของการเจริญจิตตะศิขาจิตตะศิขาเนี่ยจริงๆก็คือมาศึกษาเรื่องจิตศึกษาเรื่องจิตแล้วจะได้อะไรบ้างสําหรับคนที่ทําสมาธิง่ายสำหรับคนทําสมาธิง่ายนะเขาแค่เอาจิตไประลึกไปไปแปะไปรู้ที่อารมณ์ที่จิตชอบมันก็จะทําสมาธิได้เลยทําสมาธิทำช้านจิตสงบจาก จากการเอาจิตไปรู้อยู่จุดนั้นเช่นคนที่ชอบดูลมหายใจมีความสุขกับการดูลมหายใจพอรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขจิตก็ไม่หิวอารมณ์อื่นก็มีสมาธิเกิดขึ้นจากการดูลมหายใจบางคนชอบที่จะนึกถึงคำว่าพุทโธนึกถึงคำพุทโธแล้วใจชอบไม่ไม่หิวอารมณ์อื่นคือพอชอบพุทโธแล้วก็ไม่ไม่คิดที่จะไปคิดเรื่องอื่นก็คิดแต่คำ ว, ว่าพุทโธพุทโธ ก็ได้สมาธิจากการระ ล, ลึกถึงคําว่าพุโทโธบางคนชอบดูแสงแสงสว่างนึกถึงแสงสว่างแล้วก็มีความสุขนึกถึงแสงสว่างแล้วกเกิดสมาธิการใช้แสงสว่างเป็นอารมณ์นี่นะทีนี้คนประเภทนี้ศึกษาเรื่องจิตปุ๊บ ก, กบบนะ็จะได้สมาธิก่อนเลยศึกษางี้นะจะได้สมาธิก่อนเลยอีกประเภทหนึ่งพุโทโธแล้วก็ ได้สองสพุทโธแล้วก็คิดดูลมหายใจก็ดูลมแล้วสองสามฟืดก็คิดพยายามดึงกลับกลับมาอยู่ที่เดิมมันก็ไปยิ่งดึงยิ่งเครียดยิ่งเครียดไปเครียดมาหลับวงจรมันเป็นอย่างนี้นะพยายามบังคับให้อยู่กับที่ยิ่งบังคับยิ่งเครียดบังคับไปบังคับมาหลับใครวงจรนี้บ้างมีไหมให้อยู่วงจรนี้บ้างเป็นปะอาตมานี้เป็นอย่างนี้ บังคับเครียดหลับบังคับเครียดหลับอย่างนี้นะที่มันบังคับเครียดหลับเพราะว่าจิตมันไม่ยอมอยู่กับที่มันชอบคิดชอบนึกเพราะนั้นคนจะมาศึกษาเรื่องจิตเนี่ยท่านจึงแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆนี่แบ่งเพื่อที่จะไปเจริญวิปัสสนาแต่ถ้าแบ่งเพื่อให้สงบนะนะท่านแบ่งเป็น6ประเภท6ประเภทเนี่ยมีราคะจริตโทสะจริตโมหจริต พุทธจริตศัทธาจริตพิตกจริตแบ่งเป็น6ประเภทแล้วก็หาอุบายในการทําให้ตรงกับจริตทั้ง6นี้เพื่อให้สงบวัตถุประสงค์เพื่อให้สงบถ้าทําเพื่อสงบเนี่ยนะทำสมถะกรรมฐานแต่ถ้าเพื่อวิปัสสนากรรมฐานเนะี่ยแบ่งจริตเป็น2ประเภทคนมาศึกษาเรื่องจิตนะจะแบ่งจริตเป็น2องประเภทคือคนทําสมาธิง่ายกับคนทําสมาธิไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้นี่คือพูดแบบปลอบใจตัวเอง จริงคืออย่างไม่ได้ทำสมาธิง่ายก็ทำสมาธิยากเอ า, อางี้ก็แล้วกันนะทำสมาธิง่ายเนี่ยจะมีภาษาบาลีเพราะๆอยู่คำหนึ่งเรียกประเภทคนพวกนี้ว่าพวกสมัฏญานิกใช้สมัฏเป็นญาณญาณ น, นี่คือยอยักษ์สราะานอ น, นูรู้จักไหมเป็นคำนามหรือคำวิเศษ คำพิเศษก็เป็นหย่อนยานคำนามเป็นยานพาหนะเป็นยานพาหนะที่พาคนไปไปไหนไปไหนไปสู่มรรคผลยานพาหนะไปสู่มรรคผลโดยการเริ่มจากการทำสมถะก่อนคนทำสมาธิง่ายอาศัยยานคือสมถะไปหามรรคผลส่วนคนทำสมาธิไม่ค่อยได้ยังไม่ได้ น, นะ ก็มีชื่อเรียกคนพวกนี้เรียกคนพวกนี้ว่าพวกวิปัสสนาญาณิกถ้าเรียกเป็นจริตแล้วนะนะคนทำสมาธิง่ายเรียกจริตเป็นชื่อว่าตัญหาจริตชื่อไม่ค่อยน่าเข้าพวกเท่าไหร่นะอตัตมาเลยไม่ค่อยเข้าไปอีกพวกหนึง่งที่พวกคิดมากจึงทำสมาธิาไม่ได้นะพวกคิดมากนะเรียกพวกนี้ว่าทิฏฐิจริตทิฏฐิคือความความคิดความเห็นพวกตันหาจริตเนี่ยนะ ถ้าได้อารมณ์ที่ถูกใจจะทําสมาธิได้ง่ายมากเลยแค่นึกถึงพระพุทธรูปบางคนชอบพระพุทธรูปนึกถึงพระพรูปก็ทําสมาธิได้จากพระพุทธรูปจากการเอาจิตไประลึกถึงพระพุทธรูปหลับตาลืมตามองเห็นจําภาพได้เห็นแสงสว่างชอบแสงสว่างหลับตาลืมตาจําแสงได้จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งอย่างเงี้ยนะได้เลยบางคนดูเล็บชอบเล็บหลับตาลืมตาจําได้มีอารมณ์เป็นหนึ่ง กลายเป็นทาสมาธิจากอารมณ์นั้นอันนี้พวกเราอาจจะเป็นพวกนี้ก็ได้นะแต่ยังหาอารมณ์ไม่เจอ <c oughs> ปลอบใจตัวเองยังหาไม่เจอ <c oughs> มันเลยไม่สงบสักทีเนี่ยพวกนี้คือคิดมากโดยพื้นฐานแล้วคือเป็นพวกคิดมากคิดมากเนี่ยลักษณะเป็นยังไงเห็นอะไรก็วิตกเอ้ยเห็นอะไรก็วิจารชอบวิจารเป็นไหม <c oughs> เป็นเนาะชอบแสดงความเห็นรู้สึกไหมชอบแสดงความเห็น ชอบให้ความเห็นทั้งที่เขาไม่ขอเ <ông> ป็นไหมเป็นเป็นฮะแล้วยึดความเห็นด้วยเสนอความเห็นไปนะถ้าเขาไม่เห็นด้วยนะไม่พอใจต้องหาเหตุผลไปลบไปไปถล่มใส่เขาให้เขายอมรับให้ได้มันเป็นที่มาของการเถียงกันเห็นไหมไอ้คนทิติจารีตเนี่ยชอบเถียงชอบเถียงชอบหาเหตุผลชอบหาข้อมูล ตื่นขึ้นมาเนี่ยดูดูก่อนเลยดูอะไรคว้ามือถือมาก่อนเลยใช่ไหเปิดเช็คดูไอทิโพส์ไปเมื่อวานนี้มีใครไล่บ้าง <c oughs> มีใครมาคอมเมนต์ข้างล่างบ้างถ้า <c oughs> มันคอมเมนต์ไม่ดีกูใส่เลยตอนนั้นเลยเนี <c oughs> ่ยไอพวกทิตฐิจริตเป็นอย่างนี้ชอบแสดงความคิดความเห็นนะมันเลยไม่ส่งของสักทีแล้วมันชอบหาเรื่องอย่างเงี้ยใช่ใช <c oughs> เรื่องก็ไปเรื่อยแล้วก็ มีความเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่เอื้ออารีกับคนอื่นๆสนใจคนอื่นไม่ค่อยสนใจตัวเองสนใจคนอื่นเอ้เขาเลิกกันแล้วเหรอทําไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้ฝ่ายหญิงมีภาพโพสคู่กับผู้ชายใหม่แล้วไอ้ไอ้ย อ, ไอย่าเงี้ยชอบคุยชอบแคะชอบเขีย่ยชอบคน่ะเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองเป็นไหมไม่เป็นเหรออ๋อ <laughs> เป็นไหมไม่เป็นเหรอโอ้ oh. ดีจังเลยครอบครัว น, นี้ <laughs> hmm. ก็ค่อนข้างปลอดภัยหน่อยนะคุยได้เขาไม่ค่อยสนใจเรา <laughs> แต่เมืองไทยเนี่ยนะจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมข่าวอะไรที่ขายดีดที่คนสนใจมักจะเป็นข่าวพวกนี้แหละ hmm. ข่าวดาราเนี่ยนะเราสนใจมากเลยคนนี้จะกำลังคบกับคนนี้กำลังคั่วกันอยู่แล้วกไปแล้ว แตกแล้วเตียงหักอะไรเงี้ยนะสนใจซึ่งไม่เกี่ยวกับเราเลยไม่เคยมาช่วยทํามาหากินกับเราเลยแต่เราสนใจเขามากเลยเออมีความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ <laughs> <laughs> ในทุกสุขของคนอื่นมากไม่สนใจตัวเอง <laughs> อันนี้พวกนี้เรียกว่าพวกทิฏฐิจริต <laughs> ฟุ้งซ่านด้วยพ ว, พวกนี้ชอบปัญหาหลักๆ ก, ก็คือฟุ้งซ่าน <laughs> แต่ฟุ้งซ่านเลยนะ ผลของการฟรุ้งซ่านคือทำสมาธิยากพวกที่ติจิตเวลามาทำสมาธิเรียกว่าไปฝึกกรรมฐานอะไรต่างๆเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จในการทำความสงบเพราะว่าจริตของตัวเองเนี่ยไม่ใช่พวกสมถียานิกแต่ถามว่าไปได้ไหมไปถึงมรรคผลนิพพานได้ไหมตอบว่าไปได้ถ้าทำให้ตรงจริตตัวเองจริตพวกเราถ้าเป็นพวกคิดมาก ทำสมาธิแล้วยังไม่ค่อยได้ผลเลยนะให้ลองใหม่พวกเราเป็นพวกที่สงบยากไม่ใช่พวกสมถยานิกเพราะฉะนั้นยานนี้เราไม่มีตัว๋วอย่าไปขึ้นแตม่มีโอกาสที่จะซื้อตั๋วอีกตั๋วหนึ่งก็เรียกว่าวิปัสสนายานิกใช้วิปัสสนาเป็นยานไปไหม <c oughs> วิปัสสนาเป็นยานเลยนะ ไม่จําเป็นต้องทําความสงบระดับฌานก่อนแต่ต้องมีบ้างต้องมีสงบบ้างนะไอ้บ้างเนี่ยคือแวบๆก็พอง่ายไหมแวบๆน้นไม่ใช่กระสือนะแวบๆแต่มันแวบของกระสือนี่ยังยังนานพอนะแสงสว่างแวบๆเนี่ยยังนานพอสงบเพียงแวบเดียวเนี่ยก็พอถ้าสงบนั้นสงบถูกสมาธิมี2แบบ สมาธิแบบที่1คือจิตไหลไปหาอารมณ์จิตไหลไปหาอารมณ์เช่นมองพรพรูปแล้วจิตอยู่กับพาพรูปไม่ไปไหนเลยขณะเนี้ยลองดูนะมองพาพรูปนะลองดูดิขณะที่รับรู้อยู่ที่พรพุทรูปเนียนะจิตก็ไหลไปหาที่พรพรูปนเนียส่งออกมาแล้วจิต ส่งออกไปหาอารมณ์เรียกว่ามีอารมณ์คือพร ร, รูปเนี่ยเป็นที่อยู่ของจิตแล้วถ้าเกิดเป็นสมาธิก็คืออยู่กับพระพ ร, ร, รูปโดยที่ไม่ออกไปไหนเลยเรียกอย่างกี้ว่าจิตเพ่งอารมณ์อ่าถ้าไม่เป็นพร ะ, ร, ะรูปอ่ลองยกนิ้วโป้งขึ้นมาดูมองไีนิ้วโป้งแล้วก็เอาสายมองนิ้วโป้งเนี่ยแล้วก็ถ้าสมมุติว่าอ่มองพระได้ละพอพอ <laughs> ถ้าตอนที่อยู่กับนิวโป้เนี่ยนะเรียกว่าจิตไหลไปหาที่อารมณ์คือนิ้วโป้งนึกออกไหมเรียกอย่างนี้ถ้าเกิดทําสมาธิได้นะเรียกยงี้ว่าจิตอยู่กับอารมณ์ไหลไปหาอารมณ์ภาษาบาลีเรียกว่าอารม์ ม, มนุปนิชฌานสับยากไปหน่อยไหมแต่ <laughs> พูดเอาไว้เผื่อเผื่อไปฟังอาจารย์อค์อื่นแล้วจะได้เข้าใจอารมมนุปนิชฌาน มาจากคำศัพท์าาว่าอารมะอารมะแปลว่าอารมณ์ฌานแปลว่าเพ่งเพ่งอารมณ์สมาธิได้จากการเพ่งอารมณ์จิตต้องไหลไปหาอารมณ์นะจิตกับอารมณ์แน่เป็นหนึ่งถ้าทาสมาธิได้คือจิตอยู่กับอารมณ์นี้แล้วก็ไม่ไปไหนเลยอย่างนี้เรียกว่าสมาธิที่เรารู้จักคุ้นเคยกันทั่วๆไปแล้วก็พยายามจะทากันอยู่สมาธิแบบนี้ เอาไว้ทําความสงบเอาไว้พักเอาไว้อะไรเวลาเหนื่อยๆแล้วพยายามจะทำตรงนี้เพื่อให้เกิดกำลังฮะผ่อนคลายคลายเครียดจากเครียดจากการงานเนี่ยนะแล้วก็วันนี้เครียดเหลือเกินอา้าวดูลมหายใจลมหายใจสัก5านาที1ินาทีถ้าเกิดอยู่กับลมหายใจได้เนี่ยนะก็ แป๊บเดียวจริงๆไม่ต้องถึง10นาที5นาทีแค่สวดลมหายใจแล้วเกิดความสงบขึ้นมาเนี่นะจิตก็ได้พักละก็พร้อมที่จะไปทํางานอะไรต่อได้เอาไว้พักพักจากความเครียดพักจากความวุ่นวายอะไรต่างๆทีนี้มันมีอีกสมาธิอีกมีสมาธิอีกแบบหนึ่งเรียกว่าลักขณูปนิชฌานลักขณูปนิชฌานคือเพ่งลักษณะเมื่อกี้เพ่งอารมณ์นะจิตอยู่กับอารมณ์อันนี้เพ่งลักษณะ คือไม่ได้สนใจว่าอารมณ์เป็นอะไรแต่สนใจที่ว่าลักษณะของอารมณ์ mm hmm. ลักษณะของอารมณ์ไม่ใช่ว่ามันกลมมันแบนมันอ้วนมันผอมไม่ใช่อย่างนั้นนะลักษณะที่นี้คือมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสามลักษณะสามอย่างนี้ที่มันแสดงอยู่ในอารมณ์นี้วิธีที่จะเห็นอย่างนี้นะจิตต้องไม่ไหลไปหาอารมณ์จึงจะเห็นลักษณะของอารมณ์นั้น คือเห็นลักษณะว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกขบเปันนันตาอธิบายมาถึงตัวนี้นะวิธีทำไม่ใช่ว่าทำยังไงให้ตัวเองถอดจากอารมณ์นั้นเพื่อมาเห็นลักษณะไม่ใช่ไม่ใช่ทำแบบนั้นวิธีทำเนยนะเห็นจิตไหลไปหาอารมณ์ใช้ได้แล้วถ้าจิตไหลไปหาอารมณ์จะทำอารามณูปนิชาน คือหลาไปาอารมณ์แล้วเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยให้มันอยู่กับอารมณ์นั้นแต่ถ้าพวกเราเนี่ยนะเราทําคือลัคนุปนิชฌานเนี่ยทำได้2วิธีวิธีแรกคือคนทําฌานได้คนทําฌานได้จิตหลายไปหาอารมณ์เลยนะทำฌานได้แล้วนะพัฒนาจนถึงขั้นฌานที่2จิตละจากการคลอเคลียกับอารมณ์นั้นเรียกว่าภาษาพระเรียกว่าละวิตกวิจารวิตกคือ ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์นั้นวิจาร์คือคลอเคลียอยู่กับอารมณ์นั้นจนได้จนได้สมาธิ Istanbul, ได้ฌานนี่คือฌานขั้นแรกพอฌานขั้นที่2เนี่ยละวิตกวิจารณคือละการคลอเคลีย์กับอารมณ์นี้พอละการคลอเคลียอารมณ์นี้ก็เลยกลายเป็นว่าจิตออกมาจากอารมณ์กลายเป็นว่าถึงพอถึงขั้นที่2นะ เ, เกิดสมาธิที่เรียกว่ามีโอกาสที่จะเกิดสมาธิที่เรียกว่าลักคนุปนิชฌานในนี้ได้ แต่พวกเราเนี่ยขั้นที่แรกก็ยังไม่ค่อยได้เลยนะเพราะฉะนั้นวิธีทําลักคนุปนิชานแบบพวกเราเนี่ยคือรู้ทันตอนจิตที่มันไหลไปหาอารมณ์ตอนจิตไหลาไหาอารมณ์เนี่ยนะจิตไม่ตั้งมั่นการที่มีสมาธิแบบที่ว่าลักคนุปนิชานเนี่ยเพื่อบอกว่าสมาธิที่ถูกต้องจะแปลว่าจิตตั้งมั่นไม่ใช่แปลว่าสงบสมาธิทั่วไปที่เราเข้าใจกันเนี่ยนะคือจิตไปสงบอยู่กับอารมณ์เดียว แต่สมาธิที่จะเกิดมากผลเนี่ยนะไม่ใช่สมาธิแบบนี้สมาธิให้เกิดมากผลคือจิตตั้งมั่นไม่ไหลไปหาอารมณ์เพราะฉะนั้นวิธีทำให้เกิดจิตตั้งมั่นไม่ไหลไปหาอารมณ์คนทําสมาธิระดับชาญได้เนี่ยให้ถึงฌานขั้นที่2ก่อนจะมีโอกาสทําสมาธิดังกล่าวได้พวกเราสมาธิขั้นแรกที่ว่าเป็นฌานขั้นแรกยังไม่ได้เนยนะให้ทําอีกแบบหนึง่งให้รู้ทันตอนจิตมันไหลไปหาอารมณ์จะเห็นตอนจิต ไหลไปหาอารมณ์ได้เนี่ยอยู่ๆจะดูจิตไหลไปหาอารมณ์เนี่ยนะดูยากแม้ว่าปกติจิตมันจะไหลอยู่แล้วนะเช่นโยมูลังมองอาตามาเนี่ยจิตไหลมาหาอาตามาแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ไม่เห็นไม่เห็นว่าจิตไหลเพราะมันพุ่งมาแล้วพุ่งมาแล้วมาแช่ตัวนี้แล้วรู้ทันว่าตอนนี้จิตอยู่ที่พระเนี่ยนะมันเห็นแค่ว่าจิตขนานี้อยู่ที่พระไม่เห็นว่าตอนไหล นั้นจะเห็นไหลทาไงจิตไม่ใช่น้ำนะแต่ไหลได้แปลกไหมมันมีการเคลื่อนจะเห็นการเคลื่อนของจิตได้เนี่ยต้องหาที่อยู่ของจิตไว้สักที่หนึ่งก่อนที่อยู่ของจิตก็เหมือนกับเราจะทำความสงบนั่นแหละแต่ไม่หวังจะเอาสมไม่เอาไม่หวังจะเอาสงบจะหวังดูอาการของจิตที่มันทำงานจะดูความจริงของจิตที่มันจะแสดงออกมันแสดงออกในแง่ไหนบ้าง ไหลไปถ้าไม่รู้ไม่รู้ฐานตอนไหลมันก็เป็นไหลแล้วแล้วเกิดราคะเกิดโทสะเป็นรูดตอนเป็นราคะโทสะก็ได้ทีนี้ถ้าเราจะทําถึงขั้นที่ว่าจะดูให้ให้เกิดจิตตั้งมั่นเนี่ยนะหาที่อยู่ของของจิตไว้สักที่หนึ่งเช่นสมมุติว่าดูลมหายใจลมหายใจนี่เป็นที่อยู่แบบชั่วคราวเพื่อจะศึกษาว่าเดี๋ยวจิตจะเป็นยังไงต่อไปคนจะเอาความสงบก็จะพยายามจะเพ่ง พยายามจะเพ่งตรงนี้ให้จิตยอยู่กับตรงนี้อย่าให้เคลื่อนไปไหนอันนี้คือคนจะทำไอ้แบบแรกทำสมาธิแบบแรกคือให้สงบอยู่กับอารมณ์เดียวซึ่งทำไดถ้ถ้าคนที่เขาเป็นแบบสมถญาณอิตมาจะบอกแนวของอัตมาไปแล้วกันว่าพวกที่ทำชานไม่ได้ทำสมาธิไม่ค่อยเก่งแบบอัตมาเนียนะใช้วิธีนี้คือเอาลมหายใจเนี่ยเป็นแค่ที่อยู่ชั่วคราว แล้วเดี๋ยวมันก็ไปไอ้ที่ไปเนี่ยนะไม่ได้คิดจะไปนะอยากสงบจะตายแต่มันไปเองตอนไปเนี่ยมันแสดงความจริงว่าจิตมันไม่ชอบตรงนี้มันก็หิวอารมณ์ไปอื่นหิวอารมณ์คือหาอย่างอื่นทาตอนมันไปเนี่ยนะมันแสดงถึงความเคลื่อนความไหลจะใช้คำไหนก็ได้ความไม่ตั้งมั่นก็ได้ความเคลื่อนความไหลเนี่ยแสดงความไม่ตั้งมั่นของจิต ถ้าเห็นความเคลื่อนความไหลเมื่อไหลมันจะได้สิ่งตรงข้ามมันเหมือนกับว่าตอนที่เราเห็นความเผลอเผลอไปรักเผลอไปชังเราจะได้ความไม่เผลอความไม่เผลอเรียกว่ามีสติ <S <S นะตอนเห็นว่ามันเคลื่อนความเคลื่อ น, นแสดงความไม่ตั้งมั่นถา้ถามันถ้ามันตั้งมั่นมันต้องไม่เคลื่อนใช่มนีมันเคลื่อนลเลยเราเห็นตอนที่มันเคลื่อนคือเห็นความไม่ตั้งมั่น ตอนเห็นความไม่ตั้งมั่นตอนที่เห็นนั้นน่ะตั้งมั่นพอดีวิธีทําจิตตั้งมั่นเพื่อให้ได้สัมมาสมาธิคือสมาธิที่ถูกต้องเลยนะของคนที่ทําชาญไม่ได้ทำอย่างนี้คือหาที่อยู่ไว้สักที่หนึ่งที่ชอบแล้วก็เดี๋ยวมันก็ไปตอนไปเนะี่ยแสดงความเคลื่อนเห็นความเคลื่อนคือเห็นความไม่ตั้งมั่นได้จิตตั้งมั่นพอดีถ้าไม่เห็นตอนนี้ถ้าเห็นความเคลื่อนมันเคลื่อนไปแล้วพอใจเห็นความพอใจ เคลื่อนไปแล้วมีราคะเห็นราคะเคลื่อนไปแล้วมีโทสะเห็นโทสะเคลื่อนไปแล้วสรุปว่าคือเคลื่อนแล้วมีกิเล ส, เ, ล เ, ลสเห็นกิเลสตอนเห็นกิเลสเนี่ยได้สติคือได้เห็นสภาวะเป็นกิเลสเป็นราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านโหนดหูได้สติสตินเนี่ยแรกๆเราก็จะเรียกว่ารู้สึกตัวรู้ว่ามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นนเรียกว่ารู้สึกตัว ถ้ารู้สึกตัวยังไม่ผ่านเลยนะนะไปต่อยากะนั้นเวลาคนมาศึกษาเรื่องจิตใหม่ๆนีนะจะเห็นสภาวะคือราคะโทสะโมหะฟุ oh ้งทรานหนวถูเรานี้ก่อนตัวเอกความเคลื่อนเนี่ยต้องชํานาญในการเห็นกิเลสนี้สักพักหนึ่งเห็นไปสักพักหนึ่งนะเห็นกิเลสแล้วกลับมาใหม่เห็นกิเลสแล้วกลับมาใหม่ทำไมาต้องกลับมาใหม่เพราะมันยังเรียนไม่จบ เห็นกี่เรทแล้วสมมติว่ามันจิตมันเผลอไปแล้วนะเห็นแล้วพอใจเกิดราคะรู้ทันราคะจะพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้นะมจะบอกว่าโอ้ยเมื่อกี้เห็นราคะก็ได้หรือว่าเมื่อกี้เผลอไปก็ได้จะพูดคําไหนก็ได้หรือไม่พูดเลยก็ได้เห็นสภาวะเป็นอันใช้ได้ว่าจิตมันทํางานไปอย่างนี้สมมุติว่ามันเผลอไปแล้วพอใจเผลอไปแล้วพอใจเห็นความพอใจคนทั่วไปเนี่ยพอเห็นความพอใจแล้วงงไม่รู้จะทําอะไรต่อ ไม่ต้องงงกลับมาเริ่มต้นใหม่ครูบาอาจารย์ก็จะเรียกตรงนี้ว่าเห็นแล้วกลับมานับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่แล้วทําไงต่อแล้วมันก็เผลอเผลอแล้วจะนับสองไหมไม่ต้องนับรู้ทันว่าเผลอกลับมานับหนึ่งใหม่สรุปคือไม่ต hmm. ้องนับเลขอื่นเลยเผลอแล้วก็กลับมานับหนึ่งเผลอแล้วกลับมานับหนึ่งไอตอนเผลอนะไม่รู้จะนับเลขอะไรไม่ต้องนับคือกลับมาเริ่มต้นใหม่เผลอไปรู้ทันแลกลับมาเริ่มต้นใหม่เผลอไปรู้ทันแลกลับมาเริ่มต้นใหม่ ที่เผลอไปนั้นเราจะเรียกสภาวะที่มันแตกต่างไปบ้างก็ได้ว่าเผลอไปแล้วมีราคะเผลอไปแล้วมีโทสะเผลอไปแล้วฟุ้งซ่านเผลอไปแล้วหดหูเผลอไปแล้วรู้สึกอะไรทะนงตนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแต่มันจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่เรียกชื่อเหล่านั้นเรียกรวงหมดว่าเผลอก็ได้บางคนขี้เกียจเรียกเรียกหมดเลยว่าเผลอ <c oughs> ก็ใช้ได้ง่ายดีมีแบบเผลอแล้วรู้พอรู้แล้วกลับ ตอนกลับให้กลับเพียงแค่ว่ามาเริ่มต้นใหม่เฉยๆจริงๆไม่ใช่ไปแก้ไขไอ้จิตที่เผลอหรือจิตที่เสียเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ไปแก้เข้าใจไหมจิตเนี่ยเกิดดับทีละขณะและทํางานทีละอย่างจิตเมื่อกี้นี้อยู่ที่อยู่ที่บ้านอยู่เนีนที่อยู่ตรงเนี้นะเกิดเกิดระดับอยู่นี่อยู่ประมาณสักสองวิแล้วเดี๋ยวก็เผลอ เขเผลอไปนะมารับรู้อะไรสมมตริรับรู้อย่างนี้นเขาเรียกว่าอะไรเน้นศึกใหม่เขาเรียกว่าอะไรบัณฑิตบัณฑิตเลยเหรอจะเป็นพระในเรน้นฤาทิตใช่ไหม <laughs> เนนศึกใหม่เรื่อะไรเสียงใช่ป <laughs> ะใช่ไหมชื่ออะไรชื่ออะไรฮะยูนิคเสียงนิอเพราะว่า นั่งๆนะดูลมหายใจไปนะจิตก็เห็นเสียงนิกพอเห็นเสียงนิกนี่นะจิตรับรู้เสียงนิก้จิตไหลไปหาเสียงนิกแล้วเ <Web wreck Isaiah eden> ข้าใจไหมจิตรับรู้อะไรก็อยู่กับตรงนั้นสมมติรับรู้อย่กับลมหายใจก็รับรู้ลมหายใจลืมตาเห็นเสียงนิกก็าไหลไปหาเสียงนิกล้เรียบร้อยตอนไหลไปหาเสียงนิกเนียนะจิตรับาอยู่กับเสียงนิกพอใจเกิดราคะเด็กอะไร ing, น่ารักจังนะ อยากรู้จักชื่อนีถามชื right ่อไวแล้วเสียงนิกเสียงนิกเกิดความพอใจเกิดราคะราคะนี่ไม่ใช่เรื่องเพศอย่างเดียวนะเห็นแล้วอยากเห็นอีกคุยแล้วอยากคุย <đấy> อีกมองแล้วอยากมองอีกอย่างเงี้ยเห็นแล้วใจกับอารมณ์นั้นมีแรงดึงดูดระหว่างกันอย่างนี้เรียกว่ามีราคะเกิดขึ้นเข้าใจไหมไม่ใช่เฉพาะว่าต้องเห็นเพศตรงข้ามเท่านั้นมีแรงดึงดูดแต่ว่าเพศตรงข้ามเนี่ยมันแรงดึงดูดเยอะหน่อย เห็นเพศเดียวกันแล้วเกิดราคะก็ได้คือพอใจมีความเห็นแล้วน่ารักน่าพอใจเนี่ยก็เกิดราคะเห็นเสียงนิกแล้วเกิดราคะตอนเห็นเสียงนิ้เกิดราคะนะลืมไปแล้วลมหายใจนึกออกไหมเมื่อกี้เนี่ยจะอยู่กับลมหายใจนะเอาลมหายใจเป็นที่อยู่ลืมตาเห็นเสียงนิ้นน่ารักจังไปละหาเสียงนิกละตอนเผลอหาเสียงนิกนนะนะพอรู้ทันว่าเผลอรู้ทันเฉยๆความเผลอดับแล้ว นึกออกไหมไม่ต้องไปแก้จิตที่เผลอเมื่อกี้นี้จิตดวงนี้อยู่กับลมหายใจจิตดวงต่อมาไปอยู่ที่เสียงนี้จิตดวงนี้เผลอแล้วนะเผลอจากลมหายใจแล้วนะจิตอีกดวงหนึ่งมารู้ทันว่าเมื่อกี้เผลอจิตดวงนี้ไม่เผลอแล้วมีสติรู้ทันว่ามีสภาวะเผลอนั้นไอจิตที่เผลอไปเมื่อกี้นี้ก็ดับไปแล้วไม่ต้องไปแก้ถ้ารู้ว่าเผลอแล้วแก้จิตดวงนี้กลายเป็น รู้ทันความเผลอแล้วไม่พอใจความเผลอจิตตรงนี้มีปัญหาแล้วไม่ใช่มีสติแท้ไม่ใช่มีสติที่ที่ต้องการละกลายเป็นรู้ทันความเผลอและไม่ชอบใจความเผลอก็พยายามจะแก้ไอตอนมุ่งจะแก่คือมุ่งแก้จิตเมื่อกี้นี้ไอจิตที่มุ่งแก้จิตเมื่อกี้นี้ตัวเองกําลังแก้อยู่เนี่ยนะกําลังมุ่งไปแก้อยู่ไอจิตตรงนี้ไม่รู้ตัวแล้วนึกออกไหมะฉะนั้นรู้เฉยๆไม่ต้องแก้แล้วไอจิตดวรู้เนี่ยนะ ดับมันทําหน้าที่รู้ไปแล้วนะดับมันต้องทาอะไรจิตดวงใหม่มาอยู่ที่ลมหายใจกันเกิดกลับมาหยุด น, นี้ใหม่นึกออกไหมจิตเกิดดับเกิดดับทีละขณะทีละขณะแล้วเกิดดับเร็วๆด้วยเกิดดับทียิ่งกว่าไฟอีกเร็วกว่ายิ่งกว่าไฟเพรา ะ, ะนั้นเห็นเผลอรู้ว่าเผลอพอไม่ต้องไปแก้อะไรมันไอ้ที่คิดจะแก่นะ น, นะแก้ด้วยความข้อใจผิดคิดว่าจิตมีดวงเดียวเมื่อกี้ดวงนี้แล้วมันวืดไปแล้วก็ โอไม่ดีเผลอเผลรีบดึงกลับมาไอเ น, นี้ยนะทาด้วยความคว้าใจผิดพอดึงกลับมานะจิตก็เครียดนะตอนนี้เครียดแล้วเพราะจิตมีปกติชอบไปนูน่นไปนี่พยายามให้มันอยู่กับที่ก็เหมือนกับมัดลิงเอาไว้ลิงก็ดิน้นดิ้นไปดิ้นมานะและไ อ, ไอที่เรามัดไว้นะนะกําลังมัดก็ไม่ค่อยดีดิ้นแล้วกระหลุดไปมันก็ไปอีกแล้วเราก็จับมันมามัดใหม่มัดให้แรงขึ้นมันก็ยิ่งดิน้นเข้าไปอีก เครียดบังคับเครียดบังคับเครียดแล้วก็หมดแรงหมดหมดแรงก็ทำไงหลับ <laughs> วงจรอุบาทของคน <laughs> ไม่รู้ตัวเอง <laughs> นี่พูดว่าว่าตัวเองนะ <laughs> ไม่อยากให้เราเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้โยมโยมเป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้ว่าเป็นพวกทาสมาธิยากฝึกนะฝึกเรียนรู้เรื่องจิตฝึกให้ตรงกับคำว่าจิตสิกขา คือศึกษาเรื่องจิตจริงๆมาศึกษาเรื่องจิตมาดูความจริงของจิตความจริงของจิตขณะนี้มันเผลอรู้ทันแล้วเผลอพอแล้วแล้วก็กลับมาเรียนใหม่เดี๋ยวเมื่อก็ไปอีกเผลออีกรู้ทันแล้วเผลอกลับมาเรียนใหม่ถ้าเผลอบ่อยแล้วทันลักษณะของความเผลอนะมันเผลออีกจะมีความรู้ตัวได้เร็วขึ้นพอรู้จักกันแล้วเหมือนกับเสียงนิกเนี่ยเมื่อก่อนไม่เคยเห็นหน้าสมมุติไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนนะวันนี้เห็นหน้าเสียงนิก เย็นนี้เห็นอีกพรุ่งนี้เช้าเห็นอีกเนี่ยนะมันจะจําได้แม่นขึ้นแต่ถ้าวันนี้เห็นเสียงนิกนะอีกสิปีมาอีกทีหน้าก็เปลี่ยนผงผมเปลี่ยนหล่อขึ้นจําไม่ได้แล้วผมผมไงครับเสียงนิกที่เคยเจอกันเมื่อ10ปีที่แล้วที่อาคารทําะเหรอจําไม่ได้มันนานไปมันต้องเห็นบ่อยๆจึงเรียกว่าจําได้ฉะนั้นจะเห็นบ่อยได้ก็คือกลับมาที่อยู่แล้วให้ให้มันเผลอไปแล้วเห็นความเผลอแ้วกลับมาใหม่ มันเผลอไปแล้วเห็นความเผลอคนขี้โกรธก็จะเผลอไปแล้วโกรธตอนเผลอไปแล้วโกรธเนี่ยนะมันจะค่อยๆเห็นว่าเป็นเผลอละมันเห็นว่าโกรธเลยเพราะโกรธมันเด่นเผลอไปแล้วโกรธรู้ทันว่าโกรธก็กลับมาเดี๋ยวเผลออีกโกรธอีกคนขี้โกรธมันจะโกรธได้ง่ายไม่ว่าจะเจอใครก็จะโกรธเนี่ยทาไมก็ต้องใส่แว่นดํำนะอะไรเงี้ยแล้วจอไม่ค่อยชอบใจสมมตินะนี่สมมุติจะเไม่ชอบใจแล้วก็ ทำไมคนนั้นเขาต้องนั่งอย่างนั้นอะไรเงี้ยทำไมไม่นั่งขัศมะนั่งพับเพียบแล้วมันเดี๋ยกวก็เมื่อยหรือ ก, ก็กระดูมันจะคดอะไรเงี้ยสงสารก็าแล้วเตือนเขาเขาไม่ยอมเปลี่ยนโกรธ <c ười> คนที่โกรธจะโกรธง่ายแต่โยมจากนั่นนงขัศมะก็ได้นะเข้าใจไหมคนขี้โกรธโกรธพอโกรธแล้ว่าโกรธแล้วก็โกรธอีก ก็จะเห็นความโกรธอีกก็จะจําความโกรธได้ไม่ใช่ว่าจําใครได้นะจําอาการของความโกรธว่ามีลักษณะอย่างนี้เวลาเวลาโกรธเปลี่ยนหน้าคนโกรธไปแล้วโกรธเสียงนิกโกรธเสียงนิกแล้วก็กลับมามาเจอแม่เสียงนิกโกรธแม่ด้วยหน้าเปลี่ยนไปแล้วหน้าเซียงนิกกับหน้าแม่ไม่เหมือนกันเพศก็ไม่เหมือนกันส่งผมก็เปลี่ยนไปแล้วแต่โกรธแบบเดียวกัน ความโกรธก็คือมีลักษณะคือเห็นแล้วไม่อยากเห็นอีกเจอแล้วไม่อยากเจออีกอยากจะผลักใสผลักไม่ไปไปเองอะไรเงี้ยนึกออกไหมยังไม่หาจริตหกอย่างเนี้ยแล้วก็วิธีการทําสมาธิเนี่ยแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีวิธีไม่เหมือนกันอันนี้เดี๋ยวพระอาจารย์จะอธิบายให้ฟังใช่ไหมคะไม่อ่ะเวลามีน้อยไอ้สมไอ้จริตหกแบบเนี้ยนะไปเรียนที่อื่น ในที่นี้จะเน้นในแง่ของจริตสองแบบจริตหกแบบคือมุ่งที่จะทำความสงบคือไปเรียนที่ไหนก็ได้แม้แต่ตอนที่ไม่มีพระพุทธเจ้าก็เรียนได้แต่โดยปกติคนคนหนึ่งอะคะ่ะเขาก็จะมีจริตหลายๆอย่างประกอบกันเป็นในตัวเขาแล้วจะทำ ใ, ในเดี๋ยวเราไปค้นหาในอากูมันจะเจอเลยใช่ไหมคะเออไปดูอากูก่อนลในที่นี้คือจะมา มุ่งมาศึกษาในเรื่องทำยังไงให้เกิดวิปัสนาจะทำวิปัสนาเนี่ยนะพวกเราทำความสงบไอ้แบบจริต6แบบเนี่ยนะก็ยังทำยากแล้วนะถ้ามุ่งจะเอาให้ให้ได้ความสงบคือได้สมถะก่อนเนี่ยนะบางทีชาตินี้ไม่พอเวลาไม่พอแต่ถ้าจเจริญวิปัสนาเลยเนี่ยไปได้ไปได้ในแง่ไหนเราเป็นพวกทิฏฐิจริตพวกที่สองนี้ ไอ้พวกสมถะยานิกเนี่ยพวกอะไรตัณหาจริตเาทให้เขาทำสมาธิไปให้เขาไปศึกษาเรื่องไอ้จริต6แบบมันไปว่าทำยังไงจึงจะได้ความสงบของเราเนี่ยไม่ต้องเอาถึงขนาดทำฌานนิ่งอะไรขนาดนั้นเอาแค่สงบนิดๆพอศึกษาได้ว่าเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปเป็นเครื่องเทียบว่าเดี๋ยวมันก็ไปแล้วไอ้ตอนที่มีอยู่กับลมหายใจเนี่ยนะเป็นการทาสมถะแล้วเรียบร้อยแล้ว มันสงบอยู่สองวินั่นคือ2วิล้สงบได้สมถะสองวิแต่จุดมุ่งหมายเราเนี่ยไม่ได้เอาสมถะแต่มีสมถะเป็นบาทฐานเพื่อศึกษาความจริงว่าจิตมันเผลอไปแล้วคนจะมุ่งเอาแต่ความสงบเนี่ยนะจิตเผลอไม่ยอมดูความเผล อ, ไ ม, อมไม่ยอมรับไม่ยอมรับความจริงว่าจิตมันเผลอแต่เห็นว่าความเผลอเกิดขึ้นพยายามจะแก้ไขความเผลอให้มันมสงบให้ได้เนือความความจริงมันปรากฏอยู่แล้วว่ามันเผลอ แต่ไม่ยอมรับเพราะว่ามุ่งจะเอาความสงบคนที่จะทำวิปัสนาไม่ได้มุ่งเอาความสงบมุ่งเอาความจริงอยู่กับลมหายใจก็อยู่ได้เท่าไหร่ก็สงบแค่นั้นพอมันเผลอไปรู้ทำแล้วเผลอแล้วเผลอก็ดับเห็นความเผลอดับไปแล้วเนี่ยนะถ้าย้งไปถึงมากผลก็ต้องมาเรียนใหม่เนีย่ยนะทุกครั้งที่เผลอไปแล้วรู้จะมีกุศลเกิดขึ้นเสมอคือเรียกว่ามีสติเกิดขึ้น ถ้ากลับมาแล้วเห็นมันเคลื่อนด้วยคราวนี้ได้ทั้งสติคือเห็นสภาวะความเคลื่อนแล้วตอนเห็นความเคลื่อนมันคือไม่ไม่เคลื่อนมันคือตั้งมัน่นกาได้ว่ามีทั้งสติและสมาธิเกิดขึ้นในขณะแว บ, บหนึ่งนั้นแล้วลักษณะของการที่บอกว่าเห็นความเคลื่อนมันเป็นลักษณะยังไงอะคะเราจะรู้ยังไงต้องลองทําต้องลองทําจะบอกเลยนะมันก็คนช่างคิดอยู่แล้วมันก็ต้องคิดเอามันเรียนไม่ได้ด้วยการคิดแต่อาศัยฟังว่า หลักการมันเป็นอย่างนี้นะคือมีที่อยู่เอาไว้แล้วเนี่ยมันก็เผลอส่วนใหญ่จะเห็นความเผลอก่อนคือเผลอไปแล้วรู้ทันว่าเผลอมันเคลื่อนไปแล้วนะแต่มันเห็นปลายทางเห็นปลายทางว่าเผลอไปแล้วชอบใจเผลอไปแล้วไม่ชอบใจเช่นอย่างอาตามาสมมุตินั่งดูลมหายใจไปเห็นเสียงนิ้กขึ้นมาชอบใจจิตไหลไปหาเสียงนิ้กแล้วไม่เห็นกูตอนไหลเห็นตอนชอบใจเห็นความชอบใจก็ใช้ได้แล้วกลับมาเรียนใหม่ลืมตาอีกเห็นอีก เอาอีกก็เกิดความชอบใจก็เห็นอีกเห็นความชอบใจอีกลืมตาอีกเห็นอีกชักไม่ชอบใจความเผลอของตัวเองแล้วเห็นความเผลอนะแล้วไม่ชอบใจความเผลอรู้ซ้ําไปอีกว่าไม่ชอบใจความเผลอเข้าใจไหมเห็น <c oughs> <c oughs> อย่างเงี้นะจะมีสักขณะหนึ่งที่กลับมาแล้วมันเห็นตอนนี้มันเห็นตั้งแต่เริ่มต้นตรงนี้เลยเริ่มต้นไปเนะี่ยมันมีปลายทางที่จะไปก็จริงแต่มันมันมีอะไร มันมีช่วงจริงๆมันเกิดดับนั่นแหละมันดับจากตัวนี้แล้วไปเกิดตัวนู้นแต่ด้วยความไวมันจะเห็นว่าเหมือนเหมือนมันลากไปเคยดูเข้าควงกระบองไฟไห ม, ไมไกระบองไฟพอควงไปแล้วนันมันเหมือนมีเส้นเป็นวงกลมแต่จริงเส้นนั้นไม่มีจริงมันมีแต่กระบองที่มันเคลื่อนไปแล้วกลายเป็นไฟที่เป็นเส้นหรือถ่ายรูปถ่ายรูปเทียน รูปเทียนยนะแล้วกล้องเคลื่อนกล้องเคลื่อนก็กลายเป็นว่าเหมือนมีเส้นเทียนเหมือนเหมือนมีเส้นแสงสว่างแต่จริงเทียนอยู่กับที่แต่ความไ อ, อ้ตัวนี้มันไหวแต่นี้มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ชัดก็คือว่ามีแสงแล้วแสงมันเคลื่อนแล้วเราเห็นมันเป็นเสน้นจิตเนี่ยนะดับจากนี้แล้วไปเกิดตรงนู้นด้วยความไหวแต่ความรู้สึกของเราเนี่ยมันเหมือนกับว่า มันหลุดจากนี้แล้ววืดไปนักปฏิบัติพอถึงขั้นตัวนี้จะเรียกว่าจิตมันเคลื่อนจิตมันไหลจิตมันอะไรมันมันพุ่งจากตัวนี้ออกไปมันมีเหมือนคล้ายๆก็ว่ามันมีระยะทางระหว่างจุดที่เราอาศัยเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยกับปลายทางมันเป็นความรู้สึกแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูไปเรื่อยๆนะจะเห็นว่า มันดับจนนี้แล้วไปเกิดตันูน้มันดับจนนี้แล้วไปเกิดตัวนูน้ <subsid ization> <c oughs> ขอบคุณพระอาจารย์ค่ะบางคนไม่เห็นเคลื่อนนะไม่เห็นว่าจิตเคลื่อนไม่เห็นว่าจิตไหลไม่เข้าใจแต่เขาเห็นว่ามันดับรงนี้ไปเกิดตัวนูน้นี่เลยว่าสติมันสติเข้าไว <c oughs> <c oughs> เห็นกระทั่งว่ามันดับจนนี้ไปเกิดตัวนูน้ดอย่างอาตมาเนี่ยไม่ไหวเท่าท่านอาตมาก็จะเห็นว่ามันเคลื่อนฟึดไป ครั้งแรกที่เห็นจิตเคลื่อนเนะคือเดินจงกรมเดินจงกรมเนี่ยถูกแนะนำมาว่าก่อนจะเดินให้ยืนซึ่งปกติใช่ไหมถ้าอยู่ๆนั่งปุ๊บเดินเลยเนะี่ยใครทำได้นาไม่ได้ใช่ไหมต้องยืนแต่ยื น, นยให้ยืนรู้สึกตัวรู้สึกตัวว่ายืนอยู่เวลาเดินแบบในรูปแบบอะเดินในรูปแบบก็จะมีคล้ายๆเราจะสมมุติลูก เดินเอาไว้ในใจวันนั้นเดินที่บ้านพี่ชายก็เป็นเนี้ยบนชั้นบนประมาณอย่างนี้ก็สมมุติตัวเองว่าอ้าวเดี๋ยวจะเดินจากตรงนี้ไปถึงต้นนู้นพอถึงพอจะเริ่มเดินก็อยู่ตรงหัวทางก็ยืนทําความรู้ตัวทําความรู้ตัวหมายถึงว่าเห็นรูปเดิน เ, เห็นรูปยืนพอจะเดินก็หมายว่าจะไปทางนู้นจะไปไปลายทางแล้วก็เดินตอนเดินแล้วก็ทําความรู้สึกตัวอีกแบบหนึง่ง ตอนยืนมันยืนยท่านิ่งๆตอนเดินเวลารู้สึกตัวคือเห็นกายได้เดินไปตอนเห็นกายเดินไปเนี่ยเดินไปถึงปลายทางก็หยุดทําไมต้องหยุดถ้าเดินต่อชนกําแพงเข้าใจปะหยุดจําเป็นต้องหยุดก็หยุดพอหยุดแล้วทําความรู้สึกตัวเห็นตัวเองยืนหยุดแล้วต้องหมุนตัวหมุนตัวก็หมุนตัวด้วยความรู้สึกตัวหมุนตัวแล้วอย่าเพิ่งรีบเดินยืนทําความรู้สึกตัวก่อน เห็นกายเดินไม่เห็นเห็นกา ย, ยืนแล้วก็ทําใจว่าเดี๋ยวจะเดินมาปลายทางนี้อีกทีนึงระหว่างเดินก็เห็นกายเคลื่อนไหวในท่าเดินเวลาเดินเนะี่ยวันนั้นเดินไปเดินมาระหว่างเดินก็เผลอมารู้สึกตัวทีนก็ตอนปลายทางตอนหมุนตัวก็เผลอรู้สึกตัวอีกทีตอนจะเดิน <c oughs> ใครเป็นอย่างนี้บ้างเป็นไหม <c oughs> พอเดินเดินมาคิดไปเรื่อยๆพอถึงปลายทางโหกูคิดมาตลอดทางเลยมา <laughs> ยืนถึงโออ่ะยืนรู้สึกตัวหมุนหมุนหมุนหมุนตอนหมุนก็ลืมนะพอจะเดินทีอ้าวกูต้องรู้ตัวอีกแล้วอกนะ <laughs> ็มองไปปะตอนที่เห็นจิตเคลื่อนนะพอหมุนหมุนหมุนมาพอจะเดินมองเห็นปลายทางปลายทางมีโซฟาอยู่เห็นโซฟาปกติแล้วเห็นโซฟาก็จะเห็นโซฟาแต่วันนั้นเนี่ย เนื่องจากว่ายืนรู้สึกตัวก่อนความรู้สึกตัวคือความรับรู้ของจิตมันอยู่กับตัวมองเห็นปลายทางก็จิตไหลไปหาโซฟาเลยพอจิตไหลไปหาโซฟาดีใจโห้สภาวะนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนถ้าพูดในใจได้ก็ว้าวดีใจโอ้มีการบ้านไปส่งครูบาอาจารย์ะเดินด้วยความดีใจเพราะวันนี้เราจะมีการบ้านไปส่งครูบาอาจารย์ลุ้งขึ้นไป ได้โอกาสไปหาท่านพอดีไปเี้ยไปไปส่งกันบ้านท่านบอกท่าอาจารย์ครับผมเห็นจิตไหลเห็นจิตไหลท่านก็มองหน้าแป๊บหนึ่งแนละ้วก็พูดยังไม่ตัดเรางงอะตกใจเลยนะจะมารายงานว่าเห็นจิตไหลไม่ได้บอกว่าบรรลุมารผลอะไรเลยท่านบอกยังไม่ตัดมามาศึกษาต่ออีกทีนะจึงรู้ว่าตอนเห็นจิตไหลเนี่ยมันได้สมาธิชั้นดี เรียกว่าสัมมาสมาธิตอนเห็นจิตไหลคือจิตตั้งมั่นถ้าเห็นจิตตั้งมั่นเออขออภัถ้าเห็นจิตไหลได้จิตตั้งมั่นอย่างมีคุณภาพมันน่าจะได้มรรคผลตอนนั้นแต่ตอนนั้นอะมันห่วยตอนไหนต้อไหเห็นจิตไหลแล้วว้าวว้าวคืออะไรจิตไม่เป็นกลางในการเห็นเห็นสภาวะแล้วไม่พอใจเห็นสภาวะแล้วพอใจคือไม่เป็นการทั้งหมดเลย แต่ถ้าเห็นสภาวะแล้วว้าวแล้วเห็นว้าวต่ออีกทีนะน่าจะได้อะไรตอนนั้นบ้างนะส่วนนี้ไม่ได้แย่จังแต่ธรรมดานะเวลาเห็นสภาวะใหม่ๆมันจะตื่นเต้นชอบเพราะว่าอสภาวาเาะเผลอเห็นบ่อยล ะ, ะว่าฟุ้งซ่านเห็นบ่อยละรู้สึกว่าแบบจำเจจิตเคลื่อนนี่แบบแปลกใหม่อตอน ตอนฝึกให้เห็นสภาวะเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติในแง่ที่ว่าพวกเรามีเป้าหมายที่ว่าจะไปสู่ความพ้นทุกเนี่ยนะเห็นสภาวะเนี่ยเป็นเรื่องของต้นทางถ้าไม่เห็นสภาวะนะไปต่อยากละเพราะว่าที่เราจะศึกษาต่อไปเนะี่ยมันเป็นเรื่องของการทางานของจิตตอนนี้จิตทางานคือมีราคะตอนนี้จิต ทำงานคือมีโทสะถ้าไม่เห็นวพวกนี้นะไปยากต้องเห็นพวกนี้ก่อนเห็นพวกนี้ก่อนแล้วเนี่ยนะมีความชำนาญในการดูนามธรรมาเหล่านี้แล้วเนี่ยก็กลับมาที่อยู่ใหม่กลับมาที่อยู่ใหม่แล้วก็เดี๋ยวมันจะแสดงอาการคือมันเคลื่อนจากที่อยู่ตรงนี้ไปไอ้ความเคลื่อนเนี่ยอาศัยทักษะในการดูกิเลสก็เลยมีโอกาสที่จะเห็นจิตที่มันเคลื่อนได้ัน้นแรกๆที่เราฝึกเนี่ยนะมันจะมีสติมีความรู้สึกตัว ฝึกๆไปเนี่ยก็จะได้ตัวสมาธิคือเห็นจิตเคลื่อนได้สติต้องให้ได้ถึงขนาดที่เรียกว่ามีความรู้สึกตัวโดยอัตโนมัติแรกๆต้องรู้สึกตัวโดยตั้งใจรู้สึกทําไมต้องมีการตั้งใจรู้สึกเพราะจะแอตัตโนมัติยังไม่เกิดรู้สึกตัวแบบอัตโนมัติก็คือว่าฝึกรู้สึกตัวแบบตั้งใจนี่แหละจนจําได้จนจําสภาวะได้ เช่นคนขี้โกรธเห็นอะไรก็โกรธรู้ทางความโกรธเห็นนี่โกรธรู้ทางว่าโกรธเห็นไฟก็โกรธไฟแยงตาทำไมต้องมาติดตัวนี้ด้วยอะไรเงี้ยนะสมมตินี่สมมติเฉยๆนะสมมติแายงตาจังเลยโกรธรู้ทางความโกรธเียนะโกรธได้ต่างๆนานาโกรธได้อารมณ์หลากหลายแต่ความโกรธตัวเดิมเข้าใจไหมจิตเวลาเห็นไฟแล้วโกรธมันไม่ได้จาไฟ ตอนเห็นไฟแล้วโกรธนะนะตอนโกรธเนะี่ยจำไฟว่ามันต้องอยู่ตำแหน่งนี้ด้วยโกรธแต่ตอนเห็นความโกรธคือเห็นโกรธเข้าใจไหมมันก็จําจําความโกรธว่ามีลักษณะอย่างนี้เห็นคนนน้นโกรธก็จําหน้าคนโน้นนะตอนโกรธต้จําหน้าคนนน้นแต่ตอนมีสติเห็นความโกรธก็จําว่ากโกรธเป็นอย่างนี้เวลาเห็นสภาวะบ่อยๆมันจึงมีประโยชน์เลยว่ามันจะจําสภาวะได้แม่น เวลาจําสภาวะนึกออกไหมเนี่ยเห็นเสียงแล้วโกรธตอนโกรธจําเสียงแต่ตอนเห็นความโกรธไม่ได้จําเสียงมันจาความโกรธจิตก็ัจิตกระดวงกันนึกออกไหมสมมติจิตดวงนี้เห็นเสียงแล้วโกรธแล้วก็ดับตอนดับนนะจิตจะทำงานอย่างนึงคือจํา เห็นเสียงแล้วโกรธเนี่ยก็จะจําจําอะไรจําอะไรจํา <ำ S 1> เสียงมันจะตีค่าว่าเสียงไม่ดีเข้าใจไหม ส, สมมุติว่าโกรธนะไเมื่อกี้ยังรักอยู่เลยเนา ะ, ะจิตมันไม่เที่ยงอย่างนี้แหละสมมุติโกรธเห็นเสียงแล้วโกรธตอนนี้จิตดับไปจําเสียงว่าเสียงไม่ดีจิตดวงใหม่มีสติรู้ทันว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นก็จะเห็นว่ามีความโกรธเกิดขึ้น ตอนเห็นความโกรธเกิดขึ้นแล้วจิตดวงนี้ที่ว่ามีสติเห็นความโกรธเนี่ยก็ดับตอนดับก็จำตอนนี้จำอะไรจำความโกรธว่ามีความโกรธเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้เอาใหม่เห็นแม่เสียงโกรธอีกตอนเห็นแม่เสียงแล้วโกรธจิตดวงนี้ก็จำจำว่าแม่เสียงเป็นอย่างนี้ไม่ชอบใจเลยดับไปยกตัวอย่างนี้แล้วรู้สึกเสียงมากเลยนะ <laughs> <laughs> ยกไปแล้วไเอม่ไปสมมติ <laughs> โกรธเสียงด้วยโกรธแม่ด้วยอ๋อดับไปจิตดวงใหม่รู้ทันว่าเมื่อกี้โกรธก็ไม่ได้จําหน้าแม่ละจําว่าโกรธและโกรธ2โกรธเนี่ยมีลักษณะแบบเดียวกันโกรธสทีจําได้2ทีโกรธอีกจโกรธคนนู้นคนนี้มาแล้เบื่อหน้าจริงๆเลยสมมตินะเห็นตอนคอลก็เห็นตอนนี้ก็เห็นดับไปตอนโกรธคนนู้นก็จําหน้าคนนู้นมีสติเห็นความโกรธเห็นความโกรธอีกแล้ว เห็นความโกรธไปเรื่อยๆนะนะจําความโกรธได้แม่นจำความโกรธได้แม่นนั่นนหะถามว่าต้องเห็นกี่ครั้งจึงจําได้แม่นต้องเห็นกี่ครั้งไม่รู้เห็นไปเถอะนร่งความันจะแม่นเวลาแม่นมันแม่นเองเข้าใจไหมเห็นบ่อยๆแล้วมันแม่นเองเห็นแล้ววเาาามโกรธแทททํํตตี่ัองสดงว่าไม่เห็นเห็นความโกรธแล้วแสดงความทําตามที่โกรธนั่นแสดงว่าไม่เห็นจริง อาจจะเห็นจริงเห็นแวบเดียวสมมติสมมุตินะเห็นเสียงแล้วโกรธแล้วเห็นความโกรธแล้วเห็นเสียงอีกโกรธอีกคนนี้โกรธครั้รงหลังได้ไม่เห็นละแล้วลก็เลยไปทําตามความโกรธที่เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นที่โกรธก็มันรู้สึกว่าต้องแสดงความโกรธเพื่ออะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแกล้งแสดงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าโกรธแล้วแสดงความโกรธไปตามกิเลสที่เกิดเนี่ยนะก็คือ การแสดงออกครั้งนั้นเนี่ยมีเจตนาทําไปตามกิเลสแสดงว่าถูกกิเลสครอบงาให้แสดงออกไปแล้ว mm hmm. การแสดงออกครั้งนั้นเนี่ยเป็นอกุศลละแต่ถ้า mm hmm. สมมุติว่ารู้ทันความโกรธที่เกิดขึ้นนะไม่โกรธแล้วล่ะแต่ขู่มันหน่อยเนี่ยสมมุติว่าลูกน้องทําอะไรไม่ดีเนี่ยนะหายโกรธแล้วแต่ว่าทําหน้าเหี่ยมเหี่ยมใส่ก็นิดนึงเขาจะได้กลัวอย่างเงี้ยไอ้ตอนนัาทำหน้ายิ้มเหี่ยมเนี่ยนะไม่ได้โกรธ อย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าอะไรเล่นละครเล่นละครหลอกลูกน้องอันนี้ก็ไม่ใช่มีการแสดงออกตอนนั้นไม่ใช่แสดงออกเพราะความโกรธแล้วใช่ไหมแต่คล้ายๆกับว่าถ้าเราไม่แสดงหน้าเฮี่ยมๆใส่เลยเนี่ยนะมันจะได้ใจสมมติสมมุติว่าเรามีเหตุผลอย่างนี้แล้วแสดงทำหน้าเฮี้ยมๆไปเนี่ยไอ้หน้าเฮี้ยมน้นะเฮี้ยมเี้ยมหมอมาดนะหน้าหน้าเฮี้ยมๆเนี่ยนะ ตอนนั้นเนี่ยเจตนาอีกแบบหนึง่งเข้าใจไหมไม่ได้เจตนาทำเพราะมีเบื้องหลังคือตัวโทสะเป็นตัวต้นเหตุแล้วไม่มีอากุศลมูลแต่ต้องการจะสอนเขาว่าไอ้ที่ทำอย่างนี้นะถ้าทำอีกเนี่ยมีโทษนะก็ เ, เลยทำหน้าหิมหนะิมนิดนิดหนึ่งเอาจิงนะ่เอาจิงนะสมมตินะ ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองละ ว, ว่าอันนี้เพราะโกรธกับอันนี้ไม่ได้โกรธหรอกแต่จะสอน mm hmm. บางทีทาหน้าจริงจังไม่ได้โกรธกับโกรธแล้วก็แสดงหน้าออกไปแบบเพราะโกรธเลยจริงๆไม่เหมือนกันบางทีก็หน้าเข้มพระท่านก็หน้าเข้มได้ครูบาอาจารย์บางทีก็เข้ม <c oughs> แต่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะโกรธ พระพุทธรูปยังมีแล้วนะ่ะหน้าหน้าเข้มเข้มนะพระพุทธรูปสโกอไทยหน้าแบบหนึง่งพระพุทธรูปวิทยุธยาหน้าแบบหนึง่ง <c oughs> ไปตึงไหนแล้วเมื่อกี้นี้เห็นโกรธบ่อยๆก็จะจำความโกรธได้ตอนจาความโกรธได้เนี่ย ถ้าจำได้แม่นแล้วถ้าโกรธใหม่สมมติเห็นคนนี้อีกแล้วใส่แว่นดําอีกแล้วนี่นะโกรธเองแล้วแค่ไม่พอใจเล็กๆน้อยๆก็เรียกว่าโกรธเหมือนกันนี้สมมติว่าถึงคราวเนี้เห็นความโกรธมาเยอะแล้วจนจําได้แล้วเนี่ยนะโกรธครั้งนี้เนี่ยไม่ต้องตั้งใจดูเลยว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไอตอนเห็นเสียงเนี่ยยังต้องตั้งใจว่าอุ้ยเมื่อกี้โกรธเห็นแม่เสียงก็อุ้ยเมื่อกี้โกรธ เห็นคนนู้นทำหน้าอมยิ้มไม่ชอบใจโกรธอะไรเงี้นะต้องคอยระลึกว่าเมื่อกี้โกรธเมื่อกี้โกรธแต่พอโกรธจนจําได้แล้วนะคือจําสภาวะเห็นความโกรธจนจําสภาวะได้แล้วเห็นความโกรธนี้ใหม่เห็นคนนี้ใหม่แล้วเกิดความโกรธขึ้นมาคราวนี้จิตจําสภาวะโกรธได้จิตขณะนี้โกรธปุ๊บเนียนะจิตดวงใหม่ไม่ต้องตั้งใจดูเลยระลึกได้เลยจึงเรียก สติแปลเป็นไทยอีกคำหนึ่งเรียกว่าระลึกได้สติแรกๆเราจะใช้คำว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวคือโกรธแล้วค่อยรู้ตัวโ <laughs> กรธแล้วรู้ตัวว่าโกรธ ร, ววกรักแล้วรู้ตัวว่ารักเผลอแล้วรู้ตัวว่าเผลอ <imes> แรกๆเราจะใช้ภาษาไทยนะจะใช้คำว่ารู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวยังไม่ได้ก้าวหน้าต่อไปไม่ได้ละ ต้องรู้สึกตัวให้ได้ก่อนว่ามีสภาวะไดเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้รู้สึกตัวบ่อยๆจะจําได้คราวนี้จําได้เนย น, นะโกรธเกิดขึ้นมาใหม่คราวนี้จะใช้คําว่าระลึกได้คือมันมีข้อมูลแล้วว่าโกรธเป็นอย่างนี้จิตตรงนี้เกิดขึ้นมาโกรธอีกแล้วจิตจําได้แล้วรู้เองได้เลยไม่ต้องตั้งใจว่าจะต้องไปรู้แล้วเพราะจิตจําได้แม่นแล้วว่าโกรธเป็นอย่างนี้พอโกรธปุ๊บรู้แล้วต้องให้ได้ถึงขนาดที่ว่า ให้มันรู้เองโดยอัตโนมัติอย่างนี้คือต้องให้ได้ถึงขั้นที่สติที่แปลว่าระลึกได้จะมีสติแปลว่าระลึกได้ต้องมีข้อมูลก่าข้อมูลก่อนใช่มเราจะระลึกใครได้ก็ต้องมีเคยเจอกับคนนั้นมาก่อนสมมติว่าระลึกได้เคยเจอโยมชื่ออะไรนะเจอบ่อยมากเลยบุญตาเจอโยมบุญตาบ่อยมากเลยเคยเห็นหน้าจาได้ทํามานึกจาได้ก็เคยเห็นนะ แต่ ถ, ถ้าครั้งนี้มาเจอครั้งแรกยังคุณผ้าสีชมพูเนะี่ยเจอครั้งแรกอย่างงี้เลึกดไม่ได้ถามว่าจำหนูได้ไหมครับเคยเจอที่ไหนอะไรเงี้ยอ <laughs> าจารไม่มีอะไรเลึกด้วยแต่ถ้าคุณบุญตาเนะี่ยเคยเจอบ่อยเลึกได้ ถ้าในงแง่ของวิปัสสนานะไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามว่าอย่ากโกรธมีแต่มาตรฐานว่าอย่าผิดศีลโกรธและถ้ารู้ทันขณะนั้นโกรธดับแล้วเพราะตอนรู้ทันคือมีสติสติเป็นขณะที่เป็นกุศลแล้วแต่นี้ทําไมรู้สึกว่ามันไม่หายสักทีสมมุติว่าสมเห็นหน้าคนนี้แล้วโกรธเนียนะแต่คนนี้ไม่น่าโกรธเลยน้าล้อหร อ, อหดูคนใหม่ดีวกว่า <laughs> น่าจะเห็นว่าเรามีราคาอ่าสมมติเห็นหน้าคนข้างๆแล้วโกรธเห็นหน้าคนข้างๆแล้วโกรธเนี่ยนะแล้วยังมองอยู่ให้มองคนนี้ไม่มองคนนู้นมองคนนี้มองคนนี้ <c oughs> อ, นนอ่ะมองคนนี้แล้วโกรธมองคนนี้แล้วโกรธเนี่นะแล้วรู้ว่าโกรธแต่ยังมองอยู่ไอ้โกรธเมื่อกี้แล้วก็มีสติรู้แล้วนะว่ามีโกรธนะแต่จิต ด, ดวงหมายยังมองอยู่ยังมีอารมณ์ที่ไม่ชอบใจปรากฏอยู่อย่างนี้ เราก็ต้องมีสติไปเรื่อยๆแต่บางทีเราไม่ไหวสติไม่ทันแล้วแต่ยังมองอยู่เนี่ยนะวันนี้โกรธขึ้นมาแล้วถ้าอาการานี้เกิดขึ้นมาให้เลี่ยงคือเปลี่ยนอารมณ์การเปลี่ยนอารมณ์ถือว่าเป็นการแก้ไขมีการเป็นการทําสมถะแบบหนึง่งเป็นการแก้ไขก็เปลี่ยนอารมณ์พอเปลี่ยนอารมณ์แล้วหันไป ม, มองคนนู้นแล้วก็กลายเป็นมีราคะขึ้นมาจริงคือโกรธดับแล้วเกิดราคะขึ้นมาใมา ก็ใจไหมพอพอนึกออกไปนะการปฏิบัติถึงขั้นลงมือใช้จริงๆเนี่ย น, นะมันจะทำสลับกันระหว่างสมถะบ้างวิปัสสนาบ้างและส่วนใหญ่จะเป็นสมถะแต่การพูดในที่นี้มันเน้นที่วิปัสสนาเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทำสมถะเลยมันทำสมถะอยู่เนึงๆอยู่แล้วแค่มาละลึก ร, รู้ว่าลมหายใจกำลังเข้าหรือออกแค่นี้ก็ทาสมถะแล้ว เห็นว่ามีความโกรธเกิดขึ้นแก้ไขไม่ให้แก้ไขสถานการณ์ตอนนี้โดยการเลี่ยงเปลี่ยนอารมณ์นี่ก็ทําสมถะแล้วเห็นเขาเนี่ยแล้วเกิดความโกรธแล้วก็อย่าโกรธเขาเลยปลอบใจตัวเองนี่นะแค่ปลอบใจตัวเองอย่างนี้ก็เรียกว่าทําสมถะแล้วสมถะเนี่ยทำอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแทบไม่ต้องสอนรู้สึกตัวขึ้นมาพยายามพูดโธพูดโธก็ได้โกรธไปแล้วพูดโทพูดโธไอตอนพูดโธพูดโทนะทำสมถะแล้ว ใจสงบมานิดหน่อยตอนที่ทําพุโทโธพุธโทโธเนี่ยนะแล้วก็เดี๋ยวก็เผลอไปมองเขาอีกไอตอนเนี้ยถ้าเราเห็นว่าจิตไหลตอนนี้เข้าสู่เส้นทางของวิปัสสนาแต่ยังไม่ได้วิปัสสนาจะได้วิปัสสนาต่อเมื่อเห็นว่าสภาวะมันแสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาสามแง่เท่านั้นจึงจะเรียกว่าวิปัสสนาเช่นพอเห็นเขาแล้วโกรธก็ามาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพอพุโทโธพุธโทโธแล้วลืมตา จิตไหลไปหาเขาอีกแล้วเห็นจิตไหลไปหาเขาเนี่ยนะเห็นว่า well, มันไปเองไม่ได้อยากโกรธเขาเลยมันไปเองแล้วมันทํางานเองตอนนี้เห็นอนัตตาของจิตแล้วเราปฏิบัติมาเพื่อเห็นตัวนี้แหละเพื่อให้เห็นว่าจิตมันทํางานเองไม่ใช่เราเกิดเห็นอย่างนี้บ่อยๆเห็นจิตมันไหลไปเดี๋ยวก็มีราคะไหลไปมีโทสะไหลไปเผลอไปเผลอเพลินไปเรื่อยๆไงนะจิตทํางานเองไม่ได้อยากไหลเลยไม่ได้อยากเผลอเลยจิตมันเผลอเอง เห็นาการทํางานของจิตที่มันทํางานเองเห็นอนัตตาของจิตไปเรื่อยๆจนจิตยอมรับเข้าใจยอมรับคนจริงเนี่ยคือยอมรับจากหลักฐานที่เราเจริญสติเห็นสภาวะฉะนั้นจึงเรียกว่าถ้าไม่เห็นสภาวะหรือไม่ไม่รู้สึกตัวอะไรขึ้นมาเนี่ยนะจะไม่ได้ต้นทางของการไปสู่วิปัสสนาเลยเพราะวิปัสสนาต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้จนจิตเข้าใจเห็นสภาวะเห็นสภาวะไปเรื่อยๆจนเข้าใจ ว่าจิตทํางานเองไม่ใช่เราเราเนี่ยไม่อยากไม่อยากเลวเลยไม่อยากโกรธเลยไม่อยากเผลอเลยแต่มันเผลอทุกทีโกรธทุกทีนี่ทำงานเองจิตมันทํางานเองเห็นการทํางานเองของจิตมันแสดงอนัตตาของจิตต้องเห็นความจริงของจิตหรือเห็นความจริงของกายจึงจะเรียกว่าเกิดวิปัสสนาไม่ใช่ว่าเ อ, อ้เสียงเมื่อวานเป็นอย่างหนึ่งวันนี้เป็นอย่างหนึ่งเห็นความจริงของเขานะียยังไม่ใช่วิปัสสนา เข้าใจเอมเมื่อวานก็ดูสวยดีวันนี้ดูหมองๆไปอะไรอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ใช่วิปัสสนาแต่จิตเนี่ยเมื่อกี้ดีตอนนี้ไม่ดีอย่างเงี้ยเห็นจิตของตัวเองเมื่อกี้รู้สึกตัวเผลอไปแล้วเห็นความเผลอ ท, ทั้งๆเดี๋เมื่อกี้รู้สึกตัวนะแวบเดียวแต่มันแสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างระหว่างรู้สึกตัวกับเผลอนี่ก็ใช้ได้แหละเห็นความไม่เที่ยงของมันนี่ก็ใช้ได้แต่ต้องมีการ เผลอไปแล้วรู้แล้วรู้ว่าเผลอจะเห็นเผลอได้บ่อยก็ต่อเมื่อมีที่อยู่เอาไว้เป็นเครื่องเปรียบเทียบฉะนั้นไอ้ที่อยู่ตรงนี้นะที่ว่าเรามาดูลมหายใจมาพุทโทมาท่องคำบริกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเป็นการทำสมถะก็จริงแต่ต้องตั้งใจไว้ว่าจะไม่เอาตรงนี้เพื่อจะทำความสงบแต่จะเรียนรู้ความจริงว่ามันมีความเผลอเกิดขึ้นมีความเผลอขึ้นมาจุดเริ่มต้นเพื่อจะเรียนความจริง ไม่ใช่มาจุดเริ่มต้นเพื่อจะให้มันอยู่ตรงนี้จงสงบอยู่ตรงนี้แล้วพอถ้าตั้งใจผิดนะจะเาเความสงบก็จะเอาแต่ความว่าจะทำไงให้จิตอยู่ตรงนี้พอเผลอไปก็จะรู้สึกว่าไม่ดีเลยที่มันเผลอไปต้องรีบดึงกลับมาทําไมทําอย่างนี้เพราะว่าตั้งเจตนาไว่อีกแบบหนึ่งเจตนาว่าจะทําให้สงบพอทำเจตนาว่าแค่ว่าจะทำไงให้สงบเนี่ยนะมันก็จะทําอยู่แค่นี้ว่าจะทำไงให้สงบซึ่งคนที่ทําความสงบได้ ควรทําก่อนหมายถึงว่าถ้าเป็นพวกสมถะยานิกเพราะว่าไอ้ความสงบทําสมถะได้ทําฌานได้แล้วก็มีประโยชน์แบบหนึ่งแต่คนที่ทํามาแล้วสิบปี20ปีจริงๆไม่ต้องถึงยี่ปีทํามาปีหนึ่งยังไม่ได้เนะี่ก็ควรจะรู้ตัวแล้วว่าไม่ใช่แนวเราแล้วแนวเราเนี่ยน่าจะเป็นพวกที่ว่าอะไรวิปัสสนายานิกวิปัสสนาญาณิกคือ มาเรียนรู้ความจริงไปเลยไม่ต้องสนใจว่าจะต้องสงบนานสงบแว บ, บเดียวก็พอไอ้แปบบเดียวเนี่ยเป็นเพียงเพียงพอแล้วเพียงพอแล้วจะเปรียบเทียบได้ว่าเมื่อกี้สงบแล้วตอนนี้ไม่สงบเห็นความไม่เที่ยงดูเจริญวิปัสสนาไปเลยวิธีนี้เนี่ยนะดูเหมือนเอ๊ะเราจะทําไปทําไมแล้วมันเหมือนแบบว่าทําไปแล้วก็ไม่สงบสักทีแต่ถ้าทําด้วยด้วยใจยอมรับ มีสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยนะสิ่งนี้ที่ว่านี่คือกิเลสต่างๆที่เกิดขึ้นจริงตอนที่รู้ทันกิเลสเนี่ยกลียดจะดับและกิเลสที่ว่าเกิดขึ้นบ่อยๆกับคนประเภทนี้ก็คือว่ากิเลสที่มันเป็นศัตรูของสมาธิทั้งนั้นเลยความฟุ้งซ่านความลาคาญใจนะเป็นศัตรูของสมาธิทั้งนั้นเลยพอรู้ทันพวกนี้พวกนี้ดับที่เคยมันเกิดที่มันเคยเกิดยาวๆก็กลายเป็นว่าเกิดปุ๊บรู้เกิดปุ๊บรู้ กลายเป็นว่าได้สมาธิจากการเห็นศัตรูของสมาธิคนที่ทำแบบนี้จึงเรียกประเภทอีกเรียกแนวอย่างนี้อีกอีกอย่างหนึ่งว่าใช้ปัญญานําสมาธิหมายความว่าได้ปัญญาก่อนคือเจอในพิปัสสนาก่อนแล้วเดี๋ยวสมาธิตามพวกที่ทำสมาธิได้แล้วเนี่ยไม่ใช่พอใจแค่สมาธิพอมีสมาธิแล้วต้องมาเจริญปัญญามาพิจารณาให้เกิดไตรลักษณ์ไม่ใช่ให้เกิดลลกให้เห็นไตรลักษณ์ นั้นพวกนี้เวลาเกิดจิตสงบขึ้นมาแล้วนะต้องเอาจิตมาทํางานมาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเจริญกายยกตาสติให้จิตมาทํางานถ้าพอใจแต่ความนิ่งเนี่ยนะก็ไปไหนไม่ได้มีแต่นิ่งแล้วก็ฟุ้งนิ่งแล้วก็ฟุ้งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ศัตรูของเขาก็คือว่าความพอใจในการมีความสุขในการทาําฌานวันนี้ครูบาอาจารย์ยังเล่าเลยว่า <c oughs> ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น <c oughs> ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นท่านหนึ่งเป็นมาเรเรียมา เ, เรียเลียสมัยก่อนก็ก็ทรมานมากไข้ขึ้นสูงลูกศิษย์ท่านนี้ก็ทำฌานเก่งเวลามีไข้ขึ้นท่านก็เข้าฌานพอเข้าฌานไปแล้วเนี่ยออกจากฌานมาปรากฏว่าหลวงปู่มั่นมารอแล้ว <c oughs> มานั่งรอแล้ว ลืมตามาอ้าหลวงพูม่นหลวงพูม่นมานั่งรอหลวงพู่นสอนเลยใครสั่งสอนให้ทําอย่างนี้ที่ทําอย่างงี้คือพวกฤๅษีก็ทํากันมีทุกข์เกิดขึ้นเข้าสมาธิหลบทุกข์ก <muff ins> ็ไม่เห็นความจริงต้องเห็นความจริงว่ามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นร่างกายนี้เป็นทุกขเห็นทุกขของร่างกายเห็นทุกขเวทนาแสดงความไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เวทนามากเดี๋ยวก็เวทนาน้อยให้เผชิญความจริงไปเลยไม่ใช่ไปเข้าสมาธิหลบความจริงอย่างนี้ ยังดูสิคนทําสมาธิได้ถ้าเอาแต่ติดนิ่งครูบาอาจารย์ก็ไม่ยอมเหมือนกันตําหนิเลยนะตําหนิแล้วเป็นพวกฤาษีเลยชาวพุทธก็คือยอมรับความจริงเห็นความจริงเห็นความจริงแล้วเกิดปัญญาไม่ใช่หนีความจริงตอนเนี้ยคนในยุคนี้มักจะมาะเผชิญความจริงในแง่นี้ก่อนคือ มีกิเลสเกิดขึ้นมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมีความหดหู่เกิดขึ้นเพราะพวกเราเป็นพวกเจ้าคิดเจ้าความคิดเจ้าความเห็นจะมีความเห็นอะไรมากมายมีความไม่ไมสงบแหะดูทันความไม่สงบยอมรับว่ามีความไม่สงบเกิดขึ้นจริงมาเรียนรู้มันจะเข้าหลักกคําที่บอกว่าอะไรจิตศิกขามาศึกษาเรื่องจิตตรงนี้แต่ถ้ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาแล้วไม่ยอมรับการเป็นว่าเราไม่มได้เรยนเรื่องจิต พยายามจะทําให้จิตสงบอย่างเดียวเนี่ยนะแล้วมันไม่สงบสักทีอย่างเงี้ยลําบากเลยว่าเราเป็นยิ่งเราเป็นพวกคนะแนวด้วยนะเป็นพวกอะไรทิฏฐิจริตเป็นวิปัสสนาญาณิกเนี่นะแล้วจะทําสมถะก่อนไปยากเลยชาตินี้ไม่พอถามว่าทําได้ไหมทําได้สมมุติว่าโอ้ไม่เอาสําเร็จแบบจุดๆอย่างงี้ไม่เอาขอเหาะได้ด้วยนะ ขอแบบอะไรแสดงฤทธิ์ได้ด้วยก็จะปาถนางั้นก็ได้นะแต่ว่าอีกหลายชาติต้องยอมยอมเสียเวลาทุ่มเวลาไปกับการฝึกให้เกิดฌานให้ได้ก่อน <c oughs> <c oughs> แต่ว่าในความเห็นของครูบาอาจารย์แล้วไม่จำเป็นแล้วก็เราองมั่นใจได้ยังไงว่าชาติหน้าจะเกิดเป็นคนมาฝึกต่อ <c oughs> ลำบากนี่ชาตินี่มาเจอคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยในยุคนี้เนี่ยนะพิเศษตรงที่ว่าอุบัติมาในยุคที่มนุษย์มีกิเลสเยอะเทียบกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆที่เคยมีมาเนี่ยนะตามที่พระองค์ระลึกแล้วก็นํามาเปิดเผยให้พวกเราพระพุทธเจ้าบางองค์เนี่ยอายุ หมื่นปีบางองค์สองหมปีบางองค์สี่หมปีบาง8งค์แปดหมื่ปีบางองค์งง 8, ปงงเป็นแสนแสนบางองค์ได้อยู่ในยุคที่มนุษย์เนี่ยแทบไม่มีกิเลสเลยเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ไม่มีสงครามไม่มีการทะเลาะเบาแวงกันเลยบางยุคเนี่ยนะไม่มีการโกหกกันเลยแต่ยุคเนี่ยพระองค์เกิดมาในยุคที่แบบเพียบพร้อมเพียบพร้อมมากเลย ไปด้วยกิเลสเป็นยุคที่มนุษย์นี่เดือดร้อนมากเป็นทุกข์กับการมีกิเลสของตัวเองและของคนอื่นมากแต่พระองค์ก็อุสาห์เลือกมาเกิดเลือกมาเกิดนะจะไม่เกิดตอนนี้ก็ได้นะแต่ว่าเห็นว่าตอนนี้คนกำลังทุกข์มากยังอุสามาเกิดถ้าเราไม่รับพระกลุณาของท่านโดยการที่ไม่เอาฉันยังไม่เรียนตอนนี้นะแหม ผิดวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าเลย<笑><笑>ยุคนี้เหมาะแล้วเพราะว่าพระองค์มาเพื่อพวกเราแล้วเป็นพระพุทธเจ้าที่ยิ่งด้วยปัญญานะมีคำสอนอไว้มากมายถึง 8,000 0สพันพระธรรมขันธ์กนะ็เพื่อเพื่อคนยุคนี้แหละก็เหมาะแล้วสาหรับเราที่เราจะมาเรียนคำสอนของพระองค์โดยหลักของการปฏิบัติ ก็แบ่งคนเป็น2ประเภทซึ่งยุคนี้ก็มีคนประเภทที่เรียกว่าทำสมาธิง่ายๆนนก็ยังมีอยู่นะแต่น้อยแล้วไม่ใช่น้อยแค่ยุคนี้นะในยุคพระพุทธเจ้าเองก็ที่พระองค์มีพระชนอยู่ น, นนะพระอาหารหันในยุคนั้นก็มีส่วนน้อยที่เก่งในแง่ของการทำสมาธาส่วนใหญ่แล้วจะมาทางวิปัสสนาเป็นวิปัสสนาญาณิกซะมาก เคยมีครั้งหนึ่งเนะี่ยพระพุทธเจ้าชี้ให้พระดูดูพระอรหันต์หาร500รูปเหล่านั้นเนี่ยพระอาหารหันต์เหล่านั้น500รูปแล้ว น, นะรูปเป็นพวกที่ได้วิชาสามและวิชาสามก็ต้องเก่งการทาฌานเป็นสมถะญานิกอีก60รูปได้อภินยาหอภินยา6ก็แสดงฤทธิ์ได้ก็ต้องเก่งในเรื่องการทำสมถะเป็นสมถะญานิกอีก60รูป หลุดพ้นสองด้านเรียกว่าอุปโตภาควิมุตตหลุดพ้นรูปด้วยอรูปฌานไอ้ก่เออหลุดพ้นรูปด้วยอรูปฌานหลุดพ้นจากกิเลิด้วยอาสวัคคายานต้องทำอรูปฌานได้อรูปฌานได้ก็ต้องเก่งสมถะ <c oughs> มีสารจำพวกสารจำพวกจาพวกละ60เป็นเท่าไหร่ก <c oughs> ็ใช้ได้ <c oughs> ที่เหลือเท่าไหร่จากห้าร้อ 320ร้อยนะแปดสิบกับ320เห็นหมมากกว่าครึ่งที่เป็นวิปัสสนาญาณิไม่ได้เก่งทางการทำฌานเพราะนั้นพวกเราเนี่ยนะยิ่งผ่านมาตั้ง 2,000 กว่าปีที่จะไม่เก่งสมถะเป็นเรื่องธรรมดามากยอมรับความจริงไปเลยแล้วเวลาทำกรรมฐานให้ทำกรรมฐานในแง่เรียนรู้ความจริง ย่าทํำกรรมฐานในแง่ที่ว่าจะทำยังไงให้สงบเข้าใจไหมสงบนะถ้าทําสงบได้สําเร็จเนี่ยนะก็ได้แค่สงบได้แค่กลางทางไปไม่ถึงปลายทางปลายทางคือให้เกิดปัญญารู้ความจริงแล้วก็พ้นทุกข์ได้นะีนะสมถะพาไปไม่ถึงต้องวิปัสสนานี้วิปัสสนาจะไปโดยวิปัสสนาล้วนๆนะก็าลาบากในสมถะบ้างแต่สมถะสาหรับพวกวิปัสสนาญาณิกเนี่ยนะไม่ต้องสมถะขนาดว่า สงบนิ่งดิ่งหนึ่งชั่วโมงไม่ต้องให้มีสงบเป็นตัวเปรียบเทียบไว้นิดหนึง่งแล้วเดี๋ยวก็มีฟุ้งซ่านให้เห็นแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่มีสงบให้ดูนิดนึงเดี๋ยวก็มีฟุ้งซ่านให้เห็นสงบที่ว่าเนี่ยไม่ต้องมากเอาเป็นเครื่องเปรียบเทียบให้เห็นว่าเดี๋ยวก็มีไม่สงบตอนนั้นเองนั้นเวลามาอยู่กับเครื่องอยู่ลมหายใจมันจะอยู่ได้แป๊บหนึ่งหรืออยู่ได้นานช่างมันอยู่ได้นานก็ดีอยู่ได้ไม่นานมันเผลยไปก็ดี คืจะมีความจริงอีกแบบหนึ่งก็เห็นคือว่ามันไม่สงบแล้วมันเผลอไปละเพราะเราตั้งใจว่าจะดูความจริงเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ปรากฏขึ้นมาเป็นความจริงให้ใจเราฉลาดขึ้นทุกทีถ้าเรารู้แต่ถ้าเห็นความจริงแล้วไม่ยอมรับไม่ฉลาดสักทีถ้าเห็นความจริงแล้วไม่ยอมรับก็ไม่ไม่ได้ความรู้อะไรมีความจริงปรากฏขึ้นและความจริงที่ปรากฏขึ้นนี่ยนะส่วนใหญ่ไม่ดีเป็นราคะโทสะโมหะพุ่งสร้างรัวถไม่ดีทั้งนั้นเลย ถ้ามัวแต่รอดูสิ่งที่ดีๆนะก็ไม่เจอสักทีจะรอดูเมื่อไหร่จะมีเมตตาเกิดขึ้นเมตตาเกิดแวบหนึ่งแล้วก็ไปละนันนจะเกิดสักทีเมื่อไหร่จะมีกรณาเกิดขึ้นนั่นๆจะมีกรณาสักทีแต่ราคาโทวสะโมหะเพื่อนทราบตัวโนี่มีอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าของไม่ดีที่มีอยู่เรื่อยๆถ้าเรารู้เราก็จะรู้เรื่อยๆตัวที่เราต้องการก็คือตัวรู้นี่แหละพอรู้บ่อยๆเข้าก็กลายเป็นความเข้าใจความเข้าใจก็เรียกอีกอย่างนี้ว่าเป็นปัญญา ดังนั้นตัวที่จะมาตัดสินก็คือเห็นสภาวะด้วยด้วยจิตแบบไหนถ้าเห็นสภาวะด้วยจิตที่มีอคติคือไม่อยากให้มีมันก็จะไม่เกิดความรู้ถ้าเห็นสภาวะด้วยใจที่เป็นกลางคือจะรู้มันเฉยๆเนี่ยนะทุกรู้ทีไรก็เป็นเป็นเป็นประโยชน์กับจิตคือได้ความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าเจริญขึ้นเจริญขึ้นมากๆเข้าก็กลายเป็นว่าเข้าใจ พอเข้าใจก็เกิดมรรคผลขึ้นมาคือเข้าใจว่ากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราไอ้ตอนจะเกิดมรรคผลเนี่ยมันเกิดเองมันคับไม่ได้ด้วยจะเกิดเองก็คือเราให้ข้อมูลกับจิตจนจิตมันมันดิ้นไม่ออกแล้วมันเถียงไม่ออกตอนนี้ยังเถียงได้เพราะว่าข้อมูลยังไม่พอเรายัางรู้สึกว่าฟังทำมา ฟังธรมครูบาอาจารย์มาบอกว่ากายนี้ไม่จะเราจใจนี้ไม่ใช่เราเรท่องไปเลยนะจิตไม่เชื่อจิตไม่เชื่อจากการคิดจากการพูดย้ำใส่ไม่เชื่อหรอกจะเชื่อต่อเมื่อมีหลักฐานแท้คือสภาวะที่เราจะไปเห็นต่อไปนี่แหละเห็นราคะบ้างเห็นโทรศับ้างเห็นปุ๊บมันดับเห็นปุ๊บมันดับจะเห็นปุ๊บมันดับเนี่ยนะต้องเห็นด้วยใจที่เป็นกลางคือไม่แก้มันแล้วไอ้สภาวะที่เห็นปุ๊บแล้วมันดับนั้นสภาวะนั้นจะแสดงความจริงกลายเป็นว่า ไอสภาวันนั้นน่ะเป็นครูสอนเราครูสอนใจเราให้เข้าใจว่าโอ้มันไม่เที่ยงนะโอ้มันเป็นไปเองนะมันเป็นอนัตตานะที่มันจะสอนได้ก็คือดูมันอย่างเป็นกลางไม่ไปแทรกแซงอะไรมันแต่ถ้ามันเผลอแทรกแซงรู้ทาว่าเผลอแทรกแซงถ้ามันไม่เป็นกลางรู้ทาว่าไม่เป็นกลางดูซ้าไปมีคำถามไหม <laughs>